ผมเชื่อครับว่าผู้หญิงทั้งหลายจะไม่เป็นอย่างหลอนเสมอไปอย่างน้อยที่สุดก็คงจะมีหม่อมราชวงหญิงดารินวราริศสักคนหนึ่งกล่าวจบเขาก็หันหลังกลับเดินผ่าจากรลอนไประพินเสียงเรียกเบาๆดังมาจากเบื้องหลังกระแสเสียงอ่อนนุ่มหันกลับมาก็เห็นสายตาเย็นเย็นอ่อนซึ้งคู่นั้นทอดมองมาก่อนแล้วฉันขอโทษนั่นเป็นคากล่าวขออภัยเป็นครั้งแรก ซึ่งออกมาจากใจจริงของราชสกุลสาวผู้แสนหญิงอันเป็นนายจ้างที่เขาได้ยินพลานใหญ่ก้มศรีรษะคำนับอย่างสุภาพแล้วหันพระไปอีกครั้งประมาณตีหนึ่งเศษเศษฝนพ ร, รมเป็นละอองเย็นชำ่ำดาลินและชา ย, ยันตกใจตื่นขึ้นพร้อมๆกันเพราะการปลุกของเชิดถาทั้งสองผุดขึ้นจากเตียงก็เห็นหัวหน้าคณะยันกายนั่งกำลั ง, งเงี้ยหูเหมือนจะสะดับตับฟังเสียงอะไรอยู่ชา ย, ยันขยับจะอ้าปากถาม เชฐาก็ยกมือขึ้นเป็นเครื่องหมายห้ามไว้ให้สงบอึดใจต่อมานั้นเองท่ามกลางความเงียบสงัดของกลางดึกมีเสียงช้างร้องจากขบเบื้องต่ำลงไปดังแววขึ้นมาแทรกกับเสียงเม็ดฝนที่หยาดกระทบรังคาเต็นท์อยู่เปาะแปะในขณะนี้ได้ยินหรือเปล่าหรือว่าหูฉันฝาดไปหัวหน้ า, นาคณะกสิบมองดูตาเพื่อนชายและน้องสาวผู้กำลังเงียหูจับเสียงอยู่เช่นกัน ดาดินกับชายยันเอื้อมมือไปคว้าใ่เฟิ่นขึ้นมาพร้อมๆกันราวกับจะนัดไว้คนหนึ่งขยับลูกเลื่อนตรวจกระสุนที่บรรจุอยู่ในรังเพลิงส่วนอีกคนหนึ่งกดหางเหยี่ยวหักลำกล้องเพราะเป็นแบบแสตหัวใจเริ่มเต้นแรงความงวงเยียสลายไปเป็นปิดทิ้งในบัตรนั้นห่างมากคงจะอยู่ในทุ่งข้างล่างชายยันพึมพำฟังอยู่สักห้าหนาทีมาแล้วไม่แน่ใจก็เลยปลุกขึ้นมาให้ช่วยฟังเชียาบอก พวกข้างนอกเขารู้สึกกันบ้างหรือเปล่านะดาดินพูดพยายามจะจับกระแสเสียงจากนอกเต็นท์ซึ่งรู้สึกว่าจะเงียบเสียงเป็นปกติเหมือนทุกคนจะหลับกันหมดโดยไม่รู้สึกตัวแกอยู่บนเตียงนั่นแหละเชืฐาอย่าพยายามลุกขึ้นฉันกับน้อยจะออกไปดูเองชา ย, ยันตบไหล่เชื่าแล้วพยักหน้าชวนดาดินออกไปนอกกระโจมพักฝนโปรยเม็ดบางๆอยู่ทั่วไปไฟทุกกองหมดเปลวเหลือแต่ฐานแดงเรือง พวกลูกหาด พ, พานทุกคนนอนกันอยู่ระเกะระกะภายใต้ผ้าคลุมดูเหมือนจะหลับกันหมดแม้กระทั่งแง่ทรายผู้นอนขดตัวอยุดลินชายผ้าใบาอันกั้นผนังเต็นท์ทั้งสองกวาดสายตาไปรอบๆตายเลยพวกนี้หลับกันหมดไม่มีใครอยู่ยามสักคนดาดินอุทานออกมาเบาๆฉันจะไปปลุกละพินเองเธอปลุกแง่ทรายขาดคำชา ย, ยันกสาวท้าฝ่าระอองฝนออกไปดาดินตรงเข้าไปที่คนใช้ชาวดงผู้นอนขดตะแคงอยู่ พอรอนสุดตัวลงขยับจะเอื้อมมือไปปลุกแง่าสายก็ผุดลุกขึ้นนั่งช้าๆทําให้หญิงสาวประหลาดใจไปหมดไม่ทราบว่าแง่าสายจะรู้สึกตัวอยู่ก่อนแล้วหรือเพิ่งจะมารู้สึกตัวเมื่อรอนเข้ามาใกล้เท่าๆกับที่ชา ย, ยานก็งงไปเหมือนกันเมื่อเขาย่องกลิบเข้ามาใกล้พานใหญ่ก็ได้ยินนภีนพูดออกมาเบาๆภายใต้หมวกสกดาที่หลบปิดหน้าอยู่ว่ามันอยู่ในหุบข้างล่างห่างประมาณสองกิโลครับกําลังนอนฟังอยู่เหมือนกัน เอ๊ะรพินผมนึกว่าคุณหลับเสอีกจอมพานดึงกายขึ้นนั่งดานปีกหมวกที่หลบหน้าอยู่ให้ไปกองอยู่บนศีรษะอันเป็นเวลาเดียวกับที่พานพื้นเมืองของเขาสี่คนซึ่งนอนรวมอยู่กับพวกลูกหาบบนแคร่ทั้งสองด้านค่อยๆเคลื่อนไหวลุกขึ้นมาทีละคนราวกับเงาผีบอกให้ทราบชัดว่าคนเหล่านั้นรู้สึกตัวกันหมดทุกคนไม่ได้หลับสนิทอย่างที่เขากับดาดินเข้าใจแต่แรกผมเพิ่งตื่นเมื่อสักสิบนาทีมานี้เอง ฟังเสียงมันอยู่คุณชายันได้ยินเหมือนกันหรือครับผมไม่ได้ยินหลอกเชษฐาเป็นคนปลุกผมกับน้อยขึ้นมาก็พอดีได้ยินมันร้องแแววมาตามลมครั้งหนึ่งเลยชวนกันออกมาดูทีแรกนึกว่าพวกคุณหลับไม่รู้สึกตัวกันเสียอีกชยันหัวเราะออกมาเบาๆอดไม่ได้ที่ต้องอัศจรรย์ใจในวิธีนอนแบบหูผีจมูกมดของคนเหล่านี้เกิดจันทร์เสรยได้บุญคำตลอดจนแง่สายและดาลินบัดนี้พากันเคลื่อนเข้ามารวมกลุ่มกับชยัน ผู้กำลังพูดอยู่กับพรานใหญ่ลูกหาปอีกลายคนก็พลอยรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาด้วยพร้อมทั้งบริเวณแคมป์อยู่ในอาการสงบเงียบเชียบเช่นเดิมไม่มีอะไรกระตกกระตากไอ้แหว่งหรือเปล่าผู้เปิดขึ้นกลางกลุ่มด้วยเสียงกระซิบคือดารินไม่ทันจะขาดคำทุกคนก็ได้ยินเสียงช้างร้องลอยแววแทรกละอองฝนขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ดังถนัดชัดเจนฟังแล้วเยืดเสียวไปทุกกลุ่มขนพวกลูกหาบหน้าซีดเปื่อย กระสับกระส่ายแสดงอาการสยองกลัวคนเหล่านั้นประสาทแม่นมั่นคงเสียแล้วอันเนื่องมาจากถูกโขงชา้างหรืยูบุกเข้าโจมตีข่มขวัญอยู่หลายครั้งหลายค่ารวมทั้งภาพการตายอย่างสยดสยองของเพื่อนฝูงที่ต่างเห็นกันมากับตาแล้วจะเป็นโขงของไอ้แว่งใช่หรือไม่ก็ตามพอสัมผัสกับกลิ่นอายของช้างป่าขวัญก็เริ่มเสียทันทีบุญคําปราดเข้าไปพูดจาปรอบขวัญพวกนั้นและบังคับให้สงบนิ่งรวมกลุ่มกันอยู่กับที่ เราพินชไฝ่ายไปยังกลุ่มใบไม้สังเกตทิศทางลมแล้วเม้มริมฝีปากไม่มีช้างโขลงไหนจะเข้ามาอยู่ใต้ทางลมของเราหรอกครับนอกจากมันเท่านั้นถ้าเป็นโขลงอื่นได้กลิ่นพวกเราแบบนี้ก็เปิดไปแล้วและโดยการได้เปรียบในด้านทางลมแบบนี้ทําให้มันสามารถสํารวจรู้เห็นการเคลื่อนไหวของพวกเราได้ทุกระยะคําพูดของเขาทําให้ชายยานกับดารินอึ้งไปด้วยความคิดหนักหน่วงต่างมองดูตากันแล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็แยกเคีย้ยวออกมา แบบนี้มันก็บ่งเจตนาชัดมันป้วนเปี้ยนเรียบเคียงคอยเฝ้าเราอยู่ใกล้ๆนี้เองม่หนำซ้ำยังส่งเสียงท้าทายบอกให้เรารู้เสียด้วยเออเอากระมันสิใช่แล้วเจ้านายมันทําเสียงให้เราได้ยินมันท้าเราจันพร่งขึ้นด้วยเสียงห้าวต่ำํำชา ย, ยันสะบดอยู่ในลาคอตาลุกวาวยังเดือดแค้นถ้างั้นเราจะรอให้ไอ้เดียรฉานไวร้ายท้าเราอยู่ทําไมตลอดเวลาเราตามล่าตามล้างมันมาอย่างเลือดตาแทบกระเด็น เดี๋ยนี้มันมาร้องท้าอยู่ใกล้ๆนี่แล้วไปละพินคุณนําผมไปรู้ดีรู้ชั่วกันไปคืนนี้แหละจะ บ, บ้าแล้วเหรอชัยันดาดินร้องออกมาเบาๆกระชากไหลายเพื่อนชายไว้จ้องหน้าเธอเป็นมนุษย์มีปัญญาแทๆ้ๆจะหลงอุบายลงไปติดกับดักของสัตว์นิรชานเนี่ยเลยมันอยู่ใต้ทางลมของเราแปลว่ามันจะต้องจับการเคลื่อนไหวของเราได้อยู่ทุกขณะมันร้องขึ้นก็เพื่อจะล่อให้เราลงไปแล้วนี่เป็นเวลากลางคืน ต่อให้เธอเก่งสักขนาดไหนก็ไม่มีวันได้เปรียบไปได้หรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันคอยระวังดักรอยอยู่ก่อนแล้วเช่นนี้ลงไปให้มันคยี่เสียนะซิกลางคืนหรือกลางวันก็ไม่มีอะไรผิดแปลกสําหรับรพินชายหานแย้งเครียดๆอย่างไม่ยอมละความตั้งใจและถ้ามีเขาเป็นคนนําถึงแม้จะเป็นกลางคืนก็ไม่มีความหมายอะไรโอกาสที่เรารอคอยมาถึงแล้วจะทิ้งโอกาสนี้เสียหรือ แผนของเราก็คือพวกเราส่วนใหญ่จะสงบอยู่ที่นี่ฉันกับละพินและพรานที่จะอาสาสมัครพยายามบุกเข้าหาพวกมันทางใต้ลมให้ได้แม้ว่าเราจะต้องใช้วิธีอ้อมตลบหลังนักมนุษยวิทยาสาวสั่นหน้าช้าๆอย่างไม่เห็นด้วยเธอบ้าระห่ำเกินไปแล้วก็ไม่มีหลักด้วยทำไมไม่นึกบ้างว่าถึงอย่างไรละพิน ก, กับเธอก็คนละคนกันแม้ว่าเธอจะใช้เขาเป็นเครื่องนาทางที่ได้ผลก็ตาม ภูมิประเทศที่เธอจะรบกับไอ้แหวงเป็นป่าที่เธอไม่ชำนาญและฉากเป็นเวลากลางคืนหูตาของเธอในขณะนั้นต้องอาศัยเข้าทุกอย่างสมมุติว่าเขานําเธอเข้าไปหามันทางใต้ลมได้และอยู่ในระยะยิงเกิดการตรุมบอลกันขึ้นโดยมันชาร์จเข้ามาต่างคนต่างหนีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในความมืดอันสับสนโดยมองไม่เห็นทิศทางรอบด้านนั้นพรานใหญ่นามิกกาลนักหลอกเพราะเขาชํานาญทางอยู่แล้วพอเอาตัวรอดได้ส่วนเธอล่ะ ช่วยตัวเองในเวลานั้นได้หรือถึงแม้รพินเองฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะสามารถช่วยเธอได้ในยามนั้นชายยันชะงักไปหัวคิ้วขมวดรพินก็บอกมาต่ําๆว่าถูกของคุณหญิงแล้วครับคุณชายยันคืนลงไปเราก็เสียเปรียบมันทุกประตูผมแนะนําคุณชายยันเข้าไปถึงจุดที่จะยิงมันได้แน่ๆแต่ถ้าเกิดประทะ ต, ะตะลุมบอลอย่างคุณหญิงว่าเราจะลําบากเดินก็หาฝูงเสือในเวลากลางคือยังปลอดภัยกว่าที่จะเดินเข้าหาโขลงไอ้แหว่ง มันรู้ถึงความได้เปรียบข้อนี้จึงพยายามหลอกล่อให้พวกเราลงไปถึงผมเองก็ไม่มีความคิดที่จะลงไปหามันในขณะนี้พรานใหญ่พูดขาดคำเสียงก็จะสามฤ่จยูคู่อาฆาตก็ก้องกังวานขึ้นมาอีกเหมือนจะร้องท้าทายฝ่ายมนุษย์เพื่อไปทำสงครามกับมันยังตำแหน่งที่พวกมันรอคอยอยู่เบื้องร่างชยยันกับกรามแน่นและหัวเราเออกมาก้าวๆพยักหน้าลงไปยังแนวป่าอันมืดมิดอันเป็นที่มาของเสียงฟังมัน ฟังเสียงท่าลบของไอ้แหว่งมหาราชดูจะมีทั้งเยาะทั้งยังย่วทีเดียวพับผ่าเถอะไม่นึกเลยว่าจะถูกสัตว์เหยียบจมูกแล้วนี่จะเอาอยัางไงกันรอคอยมันเป็นฝ่ายขึ้นมาหาเราเองงั้นหรือแล้วพินหัวเราะออกมาเบาๆขันนิความหัวฟัดหัวเหวี่ยงแค้นเกื่องของชา ย, ยันถ้ามันคิดจะบุกขึ้นมาหาเราก็คงจะบุกเสียแล้วล่ะครับคงไม่ได้ร้องให้ได้ยินเสียงอยู่อย่างนั้นมันรู้ว่ามันทาอะไรเราบนนี้ไม่ได้ดีแล้วล่ะครับที่มันมาร้องให้เรารู้ว่า พวกมันยังไม่ได้ไปไหนไกลแต่ป้นเปี้ยนวนเวียนอยู่ใกล้ๆนี้เองพรุ่งนี้จะได้ตามสะดวกมันยิ่งดุร้ายอาฆาตพยายามจะราวีกับเราเท่าไหร่โอกาสที่เราจะฆ่ามันก็มีมากขึ้นเพียงนั้นผมดีใจที่รู้ว่ามันยังไม่เปิดหนีไปไหนสำหรับคืนนี้เราสงบเฉยเสียดีกว่าไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นมันจะร้องหรือแสำแดงริดเด็ดอะไรอยู่ข้างล่างนั่นก็ปล่อยตามสบายรับรองว่ามันไม่กล้าบุก ข, ขึ้นมาจนถึงวันนี้เด็ดขาด คือเลียงหน้าเข้ามาก็ตายเร็วเข้าและทั้งโง่อย่างนั้นมันก็คงไม่ใช่ไอ้แหว่งชา ย, ยันบ่นอะไรพาอยู่ในลําคอเช่นนั้นแล้วหันมาพยักหน้ากับดารินถ้างั้นเราไปนอนเถอะนอนหลับให้สบายเถิดครับไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นแล้วพินบอกมาเป็นประโยคสุดท้ายทั้งสองพา ก, กันเดินกลับเข้าไปในกระโจมเชษฐายังคงนั่งตาสว่างอยู่บนเตียงภายหลังจากสอบซักถามชา ย, ยันและดาริน เกี่ยวกับความเห็นของพรานใหญ่จนเป็นที่เข้าใจดีแล้วหัวหน้าคณะก็ชวนนอนรพินทาถูกแล้วที่ไม่ปล่อยบ้าพาแกลงไปให้แหว่งขยี้เสียในตอนนี้เชษฐาพูดออกมาจากมุง้งน้อยห้ามไว้หรอกค่าไว้ใจได้ไม่ไรยตำพานนั่นประเภทบ้าระห่มเหมือนกันจำไม่ได้หรือคะเคยพาพี่ใหญ่ย่องเขาไปดูช้างตกมันห่างแค่วาเดียวเท่านั้นคิดแล้วยังใจหายอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ มันจะเหยียบหรือจะขยี้ยังไงก็สุดแล้วแต่มันเหอะเสียงอูุยของชายยันดังมาเบาๆแต่ก่อนอื่นขอเอาจุ0 0ยัดเข้าไปในกระบาลมันแค่สองนัดเท่านั้นต่อจากนั้นมันจะทำยังไงก็เชิญชิชิมาล้องท้าลบอยู่ได้พรุ่งนี้อย่าหนีก็แล้วกันพอบ้าเลือดขึ้นมามั่งแล้วอย่าบ้าเลือดชายยนสัตว์แท้ๆมันยังสู้เราด้วยสมองไหวพริบและปฏิพานเราเป็นมนุษย์แท้ๆกับจะสู้มันด้วยอารมณ์ นี่ก็หมายความถึงว่าแกเป็นรองมันแล้วหัวหน้าคณะผู้อาวุโสเตือนสติมาพร้อมกับหูวราะเบาๆเสียงของพวกมันร้องกล้องมาตามลมเป็นระยะและเสียงกิ่งไม้หักอยู่ในหุบเบื้องล่างได้ยินถนัดในความเงียบซึ่งทุกคนนอนฟังอย่างสงบไม่ทําสิ่งใดให้เป็นการกระตุกกระตากขึ้นพอตีสองสำเนียงของช้างขโขงก็เงียบไปไม่ปรากฏวี่แววใดๆขึ้นอีกจนกระทั่งรุ่งเช้า ก่อนฟ้าสางเล็กน้อยท่ามกลางละอองหมอกที่ปกคลุมอยู่นาทึบคณะติดตามไอ้แหว่งทั้งหมดอันเป็นชุดเดิมโดยสมทบกับดาลินเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งรวมเป็นเจ็ดคนก็พร้อมที่จะออกเดินทางได้เชษฐาเคร่งขึมไปกว่าทุกวันเพราะความห่วงกังวลในน้องสาวบังเกิดความหวาดหวั่นขึ้นมาอย่างไรบอกไม่ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอนเองไม่มีโอกาสร่วมทางไปด้วยเช่นนี้หลายต่อหลายครั้ง ที่เชษฐาเกือบจะตัดสินใจยับยั้งดารินไว้แต่ก็รู้ดีว่าในภาวะเช่นนี้มันป่าจากผลเสียแล้วยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุยิ่งแสดงอาการวิตกกังวลเท่าไหร่ก็เหมือนจะยิ่งผลักดันให้หลอนกระทำการอันร่อแลมเสี่ยงภัยขึ้นเพียงนั้นก่อนการออกเดินทางเล็กน้อยน้องสาวถูกพี่ชายเรียกให้เข้าไปพบเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะพี่ไม่ได้ไปกับน้อยด้วยในครั้งนี้ เชี่ยวาเอ่ยแผ่วตามน้ำเสียงจริงจังเอางานเอาการเพราะฉะนั้นน้อยจะต้องรู้ตัวเองดีว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างดารินยิ้มชะโงกหน้าเข้าไปจูบแก้มพี่ชายอย่างเอาใจเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของพานใหญ่น้อยเข้าใจดีค่ะและสัญญาว่าจะยึดถือข้อนี้ไว้อย่างเคร่งครัดพี่ใหญ่โปรดอย่า ก, กังวลไปเลยอย่าประมาทใช้สมองและไหวพริบตลอดจนสีมือ อย่าใช้อารมณ์ะระลึกไว้ทุกขณะจิตว่าการไปครั้งนี้อันตรายที่สุดและอย่าแยกห่างออกจากพลานใหญ่ไม่ว่าจะในกรณีใดๆทั้งสิ้นน้อยจะปฏิบัติตามคำสั่งของพี่ใหญ่ค่ะสำหรับชายยันเขาเรียกเข้ามากับชับว่าเมื่อใดก็ตามหากมีการแ บ, แบ่งแยกกำลังออกแง่ายควรจะอยู่ฝ่ายเดียวกับแกจัดแบ่งสายให้ถูกต้องอย่าให้แง่ายกับพระพินไปรวมอยู่ฝ่ายเดียวกัน สหายของเขาก้มศรีรษะรับอ๋อแน่นอนข้อนี้ฉันเข้าใจดีมานานแล้วเตือนน้อยไว้ให้ดีก็แล้วกันวินาทีฉุกเฉินที่สุดน้อยมักจะไม่ยอมเชื่อฟังใครทั้งนั้นเอาแต่ใจตัวเป็นที่ตั้งใจจริงฉันอยากจะให้เขาอยู่เป็นเพื่อนแก่ที่แคมป์นี่มากกว่าหัวหน้าคณะยิ้มกว้างๆตบไหล่เพื่อนรักแล้วมองจ้องไปทางน้องสาวเอาเถอะเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วคงจะทําให้เรารู้อะไรตามสมควรและมีความรอบคอบสุขุมยิ่งขึ้น คงไม่คิดเอาแต่ใจตัวเองเหมือนแต่ก่อนถึงแม้จะเป็นห่วงเขาสักขนาดไหนก็ตามแต่เดี๋ยวนี้ฉันก็รู้สึกขึ้นมาแล้วว่ามันสมควรที่เขาจะต้องไปมันเป็นการทดสอบไปในตัวด้วยสําหรับการเผชนภัยในอนาคตข้างหน้าอย่างน้อยที่สุดเขาก็ต้องไปเพื่อเป็นตัวแทนฉันไปเพื่อให้คนของเราทุกคนเห็นว่าเลือดของนายจ้างเข้มข้นไม่ได้อยไปกว่าพวกเขาเลยดารินบีบมือพี่ชายแน่นกระชับด้วยความรักบูชา ที่ใหญ่เข้าใจน้อยได้ดีที่สุดค่ะแล้วหล่อนก็หันไปทางชายยันเธออย่าวิตกไปเลยชายยันฉันรู้หน้าที่ของฉันเองดีที่สุดในการร่วมทางไปครั้งนี้รับรองว่าจะไม่ทําให้เธอต้องหนักใจเลยเพื่อนชายถอนใจเบาๆแล้วยักหน้า ย, ยิ้มให้รับรองกันได้อย่างนี้ฉันก็ค่อยสบายใจหน่อยเรื่องฝีไม้ลายมือนะ่ะไม่เคยคิดถ่วงเลยเป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเธอชอบขัดเส้นกับพานของเรา มีการโต้แยง้งคัดง้างกันอยู่ตลอดเวลาเ้าว่าอย่างนั้นเธอจะเอาอย่างนี้ซึ่งถ้าเหตุการณ์อย่างนี้มันไปเกิดขึ้นในระหว่างทางก็จะไม่เหมาะนักเป็นเรื่องอันตรายที่สุดเธอยอมรับว่าจะไม่งัดข้อกับเขาสัอย่างเดียวก็ไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงสึกไอ้แหว่งครั้งนี้ไม่ใช่ของเล่นเลยพวกเราทุกคนเอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่หล่อนไม่ได้โต้เถียงอะไรกับชัยยันเลยนอกจากนิ่งฟังอย่างสงบ เชิฐถาใช้ไม้ยานขยเเยกเออกมาส่งทุกคนที่หน้ากระโจมพักเมื่อได้เวลาออกเดินทางบุญขำคอยประคองอยู่ใกล้ชิดขอให้โชคดีทุกคนคืนนี้จะตั้งโต๊ะบวงสวงบนบานเจ้าป่าขอชีวิตไอ้แหว่งให้หัวหน้าคณะผู้ทุพพลภาพชู่ขณะตะโกนไล่หลังมาด้วยอารมณ์ขันดาดินกับชายยานโบกมือตอบตะโกนพูดร่าเริงกับเชิฐาอีกสองสมประโยส่วนระพินผู้รังท้ายสุด ยืนนิ่งมองดูหัวหน้าคณะผู้ปรากฏกายอยู่หน้าเต็น์อึดใจใหญ่แล้วยกมือขึ้นแตะปีกหมวกทรงคารวะกึ่งอำลามาให้ไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นเจ็ดคนของคณะติดตามโขงช้างผีสิงก็รับไปจากสายตาเฝ้าจับมองของเชษฐาถ้าล้มไอแหวงยังไม่ได้พรานใหญ่คงไม่หวนกลับมาแคมป์อีกแล้วครับบุญคาพึมพำขึ้นเบาๆฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเชษฐาตอบขึมๆม ฝนเมื่อคืนทำให้พื้นชุ่มและลื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนทางรา ช, ชันของยอดเนินอันเป็นตำแหน่งตั้งค่ายซึ่งจะนำลงมาสู่ป่าทุ่งเบื้องร่างและพีนไพรวันนำไปด้วยฝีเท้าพอประมาณไม่รีบรุดจนเกินไปนักพอต่ำลงสู่ตีนเนินก็วกอ้อมเข้าสู่หุบเล็กๆตอนหนึ่งที่น่านกราดเกลื่อนไปด้วยรอยช้างใหม่ๆตลอดจนรอยต้นไม้และเถาวันที่มันหักทิ้งไว้ร้มระเนรนาศนอกจากดาดินกับชั ย, ยันแล้ว พรานทั้งห้าแยกย้ายกันออกตรวจสอบร่องรอยเหล่านั้นอย่างถี่ถ้วนระมัดระวังลึกเข้าไปในโตกตรงผนังดินชิดเชิงผาซึ่งตั้งชานต่างานเงื้อมขึ้นไปเป็นตำแหน่งของดินโป่งมีรอยลงงาขุดคุ้ยดินโป่งกันอยู่ที่นี่ด้วยพื้นบริเวณนั้นอ่อนเปียกอยู่แล้วด้วยน้ำฝนบัดนี้มองดูเป็นเทือกต้นไม้ขนาดใหญ่อีกหลายต้นมีรอยเอาสีข้างเสียสีและยืนพักพิง ตำแหน่งโคลนจากลําตัวของมันที่ติดอยู่กับเปลือกไม้มีระดับสูงขนบางส่วนติดอยู่กับรอยโคลนอันทิ้งไว้กับเปลือกไม้เหล่านั้นบางต้นก็มีรอยทิ่มด้วยงาฉีกเบอร์ก็จุยกระจายไปราวกับถูกฟ้าผ่าไม่มีปัญหาตอนที่เราได้ยินเสียงมันร้องและเสียงกิ่งไม้หกักพวกมันมาชุมนุมกันอยู่ที่นี่เองลงกินปองด้วยไม่ใช่หรือชายันถามขึ้นเบา เมื่อศกตาพรานใหญ่ผู้บาดนี้ยืนแหงนมองดูลําต้นของหลุมพ่อต้นหนึ่งอันมีโคลนเปียกๆเปื้ปอยอยู่สูงจากระดับพื้นประมาณ7ฟุตครับอย่างใจเย็นเสีย ด, ด้วยยังกํามันจะอ่านใจเราถูกว่าถึงอย่างไรเสียเราคงไม่ลงมาเผชิญหน้ากับมันในตอนนั้นแน่ดาดินใช้ํากล้องไรเฟิลสอยเศษโคลนจากต้นของหลุมพ่อลงมาก้อนหนึ่งหยิบขึ้นมาพิจารณาแล้วส่งให้ระพินคุณคิดอะไรอย่างชันหรือเปล่าคิดอะไรครับ คโครนก้อนหนาๆที่ติดอยู่กับตัวของมันเหล่านี้เวลามันมาเสียดสีหรือพิงกับต้นไม้คโครนจึงปรากฏติดต้นไม้อยู่พวกมันจะต้องพอกออกโครนอาบไว้เต็มตัวทีเดียวไม่งานคงไม่ทิ้งติดต้นไม้ไว้ให้เราเห็นอย่างนี้พรานใหญ่ลืมตาโผงขึ้นในบัตรนั้นเหมือนจะเฉลียวคิดอะไรขึ้นมาได้แต่ชายยานงงเพราะไม่เข้าใจคำพูดของนักมนุษย์วิทยาสาวหันมาจ้องหน้าพูดยังไงกันน้อยก็โครนติดตัวมันอยู่นะสิ มันถึงได้ติดอยู่กับต้นไม้ที่มันพิงไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนี่มีเป็นคำตอบหนักๆจากหญิงสาวไม่ได้สนใจกับชายานแต่จ้องหน้าพรานใหญ่ไม่กระพิบปัญหาก็คือว่ามันไปเอาโครนเหล่านี้ติดตัวมันมาจากไหนมันจะต้องลงนอนเกลือกในปรักมาแล้วเป็นปรักขนาดใหญ่ทีเดียวอย่างน้อยก็ใหญ่พอที่มันจะลงไปแช่กันได้ทั้งตัวและในเขตป่าไหวนี่มีปักที่ไหนบ้างไหม ชายยันเม้มปากเริ่มจะฉุกคิดรพินอึ้องอยู่เป็นครู่ใหญ่ก้มลงพิจารณาเศษโคลนก้อนนั้นอีกครั้งแล้วสบตาหญิงสาวก็พอดีกับที่อดีตนายทหารปืนใหญ่ถามมาโดเรว่าจริงของน้อยหลักฐานจากรอยโคลนที่เราเห็นอยู่มันพอจะทำให้เรารู้ได้แน่นอนว่ามันมาจากที่ไหนก่อนที่จะมาถึงที่นี่เป็นระยะเวลาสดสดร้อนร้อนที่ไม่ห่างมานักนี่เองแต่พิจารการตามที่คุณบอกไว้แต่แรก บริเวณแถบนี้ไม่มีที่ร่มหรือปลักโครนเลยไม่ใช่หรือผมลืมคิดถึงข้อนี้ไปถนัดพรานใหญ่พึมพำมองดูดาลินด้วยตาอันเป็นประกายหล่อนรอบคอบและละเอียดไม่ใช่น้อยประกอบด้วยเหตุผลและพิจารณาญาณอันเขาคาดคิดไปไม่ถึงถูกแล้วครับแถบนี้ไม่มีปลั๊กโคลที่มันจะลงไปแช่ได้ที่ไหนเลยนอกจากแห่งเดียวเท่านั้นซึ่งที่นั่นเราก็ไม่คิดมาก่อนว่ามันจะผ่านเข้าไปในระยะไม่เกิน12ชั่วโมงมานี่ ที่ไหนหุบหมาหอนเสียงชายยานอุทานอะไรออกมาคาหนึ่งจ้องหน้าระพินอีกครั้งอย่างงุนงงไปหมดผู้เดวปือถ้างั้นก็หมายความว่ามันดอดหลบการตามของเราเข้าไปในหุบหมาหอนแล้วก็ออกนำย้อนมาทางนี้อีกโดยที่เราหาร่องรอยไม่พบเลยว่ามันผ่านเข้าหุบหมาหอนทางไหนทั้งๆ ท, ที่สาวรอไปทุกระยะอันนี้แหละครับที่ทำให้ผมเองก็งงอยู่เหมือนกัน เราไปเสียเวลากันอยู่ที่เขานางตั้งหลายวันเพื่อจะแกะรอยมันให้ได้นั่นเป็นระยะสุดท้ายหัวเรี้ยวหัวต่อสําคัญทีเดียวที่จะวินิจฉัยว่าไอ้แหว่งเข้าไปในหุบหมาหอนหรือเปล่าและถ้าเข้ามันจะมีทางเข้าด้านไหนเพราะไม่ปรากฏรอยเลยต่อมาเราก็พบรอยของมันอีกครั้งนําเราย้อนกลับมาทางแคมป์ที่ป่าไหวนี่นั่นก็แปลว่ามันจะต้องออกมาจากหุบหมาหอนแล้วและปรากฏรอยให้เราเห็นว่าเดินย้อนกลับ 3ามสวันที่เราไปงมอยู่ที่เขานางนั่นแหละครับจะต้องเป็นระยะที่มันหลบเข้าไปในหุบโดยเราหลงรอยมันตามไม่เจอผมเพิ่งจะมานึกออกตอนที่คุณหญิงพูดถึงเรื่องโคลนนี่เองเกิดเสยและจัน์พากันครางหึมขึ้นหันไปมองดูหน้ากันเองจัน์ก็เสริมขึ้นมาว่าใช่แล้วครับนายระยะเดินจากป่าหวายถึงเขานางตามเส้นทางที่เราแกะรอยมันไปเดินกันเพียงห้าหกชั่วโมงเท่านั้น แที่เราไปเสียเวลาอยู่หลายวันวก็เพราะหลงรอยที่เขานางพยายามจะหาให้พบว่ามันบ่ายหน้าไปทางไหนมันเป็นรอยวนเวียนล่อให้หลงเท่านั้นแล้วจู่ๆก็พบรอยเดินย้อนกลับถ้ามันไม่เข้าไปในหุบมันจะไปหลบอยู่ที่ไหนถึงจะไม่ให้เราพบต่างหยุดพักหาหรือและสูบบุหรี่กันอยู่ชั่วเวลาหนึ่งแล้วพินลีตาลงพึมพำเบาๆเหมือนจะกล่าวกับตนเองถ้าไม่หลบเข้าหุบก็ไม่มีรอยโครนเหล่านี้แล้วถ้าเข้าหุบ มันมีทางเข้าอยู่ทางไหนทำไมในขณะนั้นเราจึงค้นกันไม่พบไม่มีวี่แววเลยสักนิดเดียวเราลงความเห็นกันมาตั้งนานแล้วไม่ใช่รู้ว่ามันจะต้องมีด่านลับเชื่อมติดต่อระหว่างหุบหมาหอนกับป่าหวายและจากหลักฐานเหล่านี้ยืนยันให้เราแน่ใจได้ว่าด่านลับนั้นจะต้องอยู่ที่บริเวณเขานางนั่นเองเพียงแต่ว่าตอนที่ตามมันไปนั้นเรางงเสียหาทางด่านนั้นไม่พบชยยันว่า จอมพรานอัดควันบุหรี่แดงหู่เป็นครั้งสุดท้ายทิ้งก้นลงกับพื้นขยี้ดับแล้วใช้เท้ากบโครนเสียก็คงจะเป็นอย่างที่คุณชายยันว่านั่นแหละครับแต่ผมยังงงอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ว่าทําไมพวกเราจึงค้นด่านลับที่ว่านี้ไม่พบทั้งทังที่ตรวจกันอย่างถี่ถ้วนที่สุดแล้วตอนที่ตามรอยมันไปนี่ถ้าไม่พบรอยโครนตามตัวของมันซึ่งติดไว้กับต้นไม้ผมจะไม่เชื่อเป็นอันขาดว่ามันผ่านเข้าไปในหุบหมาหอน ท่านลงแบบนี้แล้วก็ฉันกล้าพนันได้เลยว่ารอยที่เราจะตามมันไปนี้จะต้องนำบ่ายหน้ากลับไปยังเขานางอีกครั้งแล้วก็ไปสิ้นสุดทำความงงงานให้แก่พวกเราอีกนิกปาติหารหายไปเฉยๆอย่างที่เคยมันรู้เคสเสียนะว่าถ้ามันหลบเข้าหุบหมาหอนเราจะไม่มีวันสารอยมันได้ดาดินกล่าวขึ้นอย่างมั่นใจตลอดเวลาที่ทุกคนปรึกษาหาเลยและผัดกันออกความเห็น มแง่าสายคนเดียวเท่านั้นที่นิ่งซึมอยู่ในอาการเงียบงันไม่ปิดปากคําใดทั้งสิน้นนอกจากก้มๆเงยๆตรวจดูตามพื้นและที่ระดับโคนไม้รอบด้านด้วยอาการเยือกเย็นอีกไม่นานนักเราคงรู้ชัดว่ามันนําเราไปที่เขานางอีกหรือเปล่าออกเดินเถอะครับถ้ามันไม่เปลี่ยนทิศทางเราจะไปถึงเขานางในราวบ่ายนี้พร้อมกับบอกแล้วพินนําออกเดินต่อดาดินผิวปากแหลมยาวเป็นสัญญาณเรียกแง่าสายผู้แยกจากคณะ เดินตรวจรอยห่างออกไปทางดงลวกตอนหนึ่งพลางโบกมือให้เข้ามารวมกลุ่มระยะห่างประมาณหนึ่รอหลาในหมู่ไม้ที่ขึ้นบางทึบเห็นการรับรั บ, รบลอดนั้นคนใช้ชาวดวงของหล่อนยิ้มเห็นฟันขาวสว่างโรล่มาแล้วก็หายแว บ, บไปในพงเอ๊ะแ eh, ง่าสายแยกหายไปไหนนะ่ะหล่อนร้องออกมาเบาๆยังสงสัยเกิดผู้เดินเคียงอยู่ใกล้ๆหอนก็ตอบมาว่าไม่ต้องหัวหรอกครับนายหญิงประเดี๋ยวมันตามมาทันเอง ดาดินยังไม่ไวายกังวลหลอนเหลียวซ้ายแหลขวาและหันกลับไปมองดูทางเบื้องหลังอยู่บ่อยๆเพื่อจะมองหาแง่ทายแต่แล้วก็ถอนใจออกมาอย่างร่องอกเพราะจริงดังเช่นที่เกิดบอกไว้พอรับโค้งทางด่านริมจอมปลวกใหญ่ทุกคนก็มองเห็นร่างแต่างงานของหนุ่มกะเหลี่ยงพเนจรปรากฏยืนดักที่ทางอยู่ก่อนแล้วและเดินตามหลังปิดท้ายขบวนมาเช่นที่เคยปฏิบัติผ่านหุบออกสู่ทุ่งตัดเข้าไปในป่าระมาะ แล้วก็เลียบชายทุ่งไปอีกรอยที่ร่วงหน้าไปก่อนเหล่านั้นห่างประมาณ 3-4 สี่ชั่วโมงโดยการตามของฝ่ายมนุษย์ซึ่งแกะไปทุกระยะตลอดทางที่ผ่านทั้งป่าและทุ่งเงียบสงบปราศจากร่องรอยสัตว์อื่นใดทั้งสิน้นนอกจากนกเล็ๆและสัตว์เลื้อยคานบางประเภทจงอางขนาดเท่าหน้าแข้งตัวหนึ่งฉกฉวัดชคูคอขึ้นสูงโผพ้นต้นกอตะไคร้น้ำเตียเต้ยๆขณะที่ผ่านแหล่งน้ำซับกลางหุบตอนหนึ่ง ทำเอาทุกคนต้องหยุดยืนกั้นดมหายใจอยู่กับที่โชคดีที่มันอยู่ในระยะห่างและก็ไม่คิดที่จะพุ่งเข้ามาทําร้ายภายหลังจากสายหัวสังเกตท่าทีจากฝ่ายมนุษย์อยู่อึดใจใหญ่จนแน่ใจว่าจะไม่มีพิษมีภัยใดๆกับมันแล้วเจ้ามาจุราชรา ย, ายลุกหวายตัวนั้นก็ลดหัวลงเลือ้อยหายรับเข้าไปในหมู่โขถินอย่างรวดเร็วแดดทาท่าจะแรงเมื่อเวลาสามโมงเช้าพอสี่โมงเศษเศษฟ้าก็สรวยลงอีกด้วยเมฆฝน ลมที่สงบเริ่มพัดแรงเชษฐายกมือขึ้นป้องดูดวงอาทิตย์ที่กำลังจะหายรับเขากลีบเมฆดำอย่างหนักใจพึมพำเอฝนฟ้าทำท่าไม่เข้าทีท่าฝนตกละแย่เลยลมแรงอาจไม่ตกก็ได้ครับผ่านใหญ่กระซิบสังเกตไปที่ยอดไม้แล้วมองดูเมฆแต่ถ้าตกถึงจะครุกคลักบ้างก็ดีไปอีกอย่างฝนจะช่วยดับกลิ่นตัวดาลินเปิดกระติกน้ำออกดื่มกลัวคอ แล้วส่งคืนไปให้แง่สายสะพายไว้ตามเดิมสองสามชั่วโมงที่สาวรอยมันมานี่พอจะบอกได้ได้ อ, อยังว่ามันบ่ายหน้าไปทางเขานางอีกหรือเปล่าหล่อนถามพรางกลาดสายตาไปรอบด้านเห็นจะไม่มีปัญหาหรอกครับขณะนี้เราใกล้เขานางเข้ามาเต็มทีแล้วข้ามเขาเตี้ยๆลูกนั้นก็จะถึงป่าทึบอันติดต่อกับบริเวณเขานางแล้วพลานใหญ่บุ้ยปากไปทางเนินเขาด้านซ้ายมืออันมีเมฆฝนรอยต่ําปกคลุมอยู่ ถ้าคะแนทิศทางมันได้แล้วอย่างนี้ผมว่าเราหาทางอ้อมไปสกัดหน้ามันไว้ไม่ดีกว่าหรือชายันออกความเห็นพรานใหญ่สั่นศีษะช้าช้าอย่างไม่เห็นด้วยไม่เหมาะหรอกครับจากจุดแรกในหุบใกล้ๆกับแคมป์ของเราที่พวกมันไปชุมนุมอยู่เมื่อคืนบอกได้ชัดว่ามันล่วงหน้าออกเดินทางก่อนเราประมาณสามสี่ชั่วโมงซึ่งถ้ามันไม่หยุดเลยป่านนี้ก็คงเข้าไปในหุบหมาหอนแล้วถึงเราจะอ้อมไปสกัดยังไงก็ไม่มีทางพบมันอีกอย่าง เข้าที่เรากวดตามรอยของมันทุกระยะนี่ก็เป็นการเดินสวนลมอันหมายถึงว่าเราตามหลังมันไปทางด้านใต้ลมมาทุกระยะถ้าอ้อมขึ้นเหนือลมเท่าไหร่ในกรณีที่มันยังไม่ได้เข้าไปในหุบหมาหอนก็แปลว่าทําให้มันไหวทันรู้ตัวเสียแล้วก็จะเปลี่ยนทิศเลิดไปอีกเราตามมันมาทางใต้ลมอย่างนี้ดีที่สุดแล้วครับดีไม่ดีอาจตามมันทันก่อนที่มันจะหนีเข้าหุบหมาหอนก็ได้ซึ่งก็อาจเป็นไปได้เหมือนกัน หากมันบังเอิญชะล่าใจยหยุดเสียที่ไหนก่อนท่านใดนั้นเขาก็จะงักคำพูดลงอย่างกะทันหันขมวดคิ้วทำจมูกฟุดฟิตแล้วจ้องไปทางชายยันกับดาลินมีอะไรผิดปกติหรือชายยันถามเบาๆอย่างสงสัยในอาการของเขาเอออุปทานหรือเปล่าก็ไม่ทราบคุณชา ย, ยันหรือคุณหญิงมีใครใช้พวกน้หอมโคโรนบ้างหรือเปล่าครับฮ่จมูกคุณหลงไปเสียแะละ้วมัง ชายยันร้องออกมาสูดลรรมหายใจหนักแล้วหันไปจ้องดาลินหรือว่าที่น้อยแต่ผมไม่ได้กลิ่นเลยดาลินกับพิบตา ง, งงงสั่นซีสะฉันก็ไม่ได้ใช้พวกน้ําหอมมาไดเลยนี่ตั้งแต่ออกจากแคมป์ ม, มาพร้อมกับพูดลองพยายามดมจากมือและคอเสื้อของตนเองแล้วสั่นหน้าอยู่เช่นนั้นพึมพำไม่เห็นมีกลิ่นอะไรเลยจมูกของคุณเป็นอะไรไปแล้วแล้วผินสูดลมหายใจหนักๆจ้องหน้าหญิงสาวเขม่งอย่างคลางแคลง พางเก้าก็มาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าหล่อนทีแรกผมก็สงสัยว่าจะเป็นอุปทานเหมือนกันแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะชัดแล้วพร้อมกับพูดพานใหญ่ก้มลงกับพื้นตรงหน้าของหล่อนหยิบกระดาษเปียกชื้นสีขาวแผ่นเล็กๆมีรอยยับยุย่ย่ชิ้นหนึ่งขีบชูขึ้นมันเป็นกระดาษเช็ดหน้าพิเศษที่ประกอบขึ้นด้วยเชิงเคมีซึ่งตามปกติบรรจุผนึกอยู่ในซองพลาสติกอันเป็นสูญยากาศ ทันทีที่ฉีกสองออกกระดาษกระทบกับอากาศเบื้องนอกจะทำปฏิกิยาเปียกชุ่มชื้นขึ้นในทันทีด้วยน้ำยาผสมโอดิโคโรนที่อาบแห้งไว้ก่อนสำหรับใช้เช็ดหน้าแบบซักแห้งอันเป็นเครื่องสำอางสำเร็จรูปประเภทหนึ่งที่มักจะมีติดอยู่ในกระเป๋าถือของสุภาพสตรีทั่วไปซึ่งมันจะเป็นของใครไปไม่ได้เด็ดขาดนอกจากของนักมนุษยวิทยาคนสวยอันหล่อนเองหลังจากใช้มันแล้ว ก็คงจะลืมนึกและมองข้ามมันไปเสียคุณหญิงใช้กระดาษเช็ดหน้าแผ่นนี้ใช่ไหมครับดารินลืมตาโพรงอุทานออกมาโอ้จริงแหละของฉันเองน่ะตายคุณยังได้กลิ่นมันอีกหรือนี่ฉันเช็ดหน้าเมื่อตะกี้นี้แล้วก็ลืมไปเสียแล้วนึกไปไม่ถึงความจริงมันก็ไม่มีกลิ่นอะไรมากนักเลยชายยันจุ๊บปากล้านโครงหัวนี่ยังไงล่ะจำเลยอยู่นี่เองดีที่รัพพินจับหลักฐานได้ขนังคาเขา ไม่งั้นก็คงเป็นเรื่องลึกลับอยู่นั่นเองว่ากลิ่นโอดิโคโรนมันมาจากไหนแต่ให้ทายเถอะผู้กองจมูกคุณดีเหลือเกินผมยืนอยู่ใกล้ๆเนาะยังไม่ได้ระแค่ละคายอะไรเลยจมูกผมยังไม่ได้แค่หนึ่งในร้อยของไอ้แหวงหรือสัตว์ป่าทุกชนิดเป็นคําตอบเรียบๆจากจอมพรานแล้วหันมาทางหม่อมราชวงศ์หญิงตาตินยิ้มให้โปรดกรุณาอย่าใช้กระดาษเช็ดหน้าที่มีกลิ่นน้ําหอมอย่างนี้อีกนะครับในระหว่างที่เราออกตามรอยสัตว์ถ้าเวลาอื่นก็ไม่เป็นไร หญิงสาวยิ้มกร่อยๆฉันลืมนึกไปถ น, นัดยอมรับผิดโดยหน้าชื่นทีเดียวไม่ได้เจตนามันเป็นเพราะมองข้ามไปเสียขอโทษสักพันครั้งว่าแล้วหล่อนก็ลูบใบไม้สดมาเจกิ่งขยี้จนแหลกในฝ่ามือทั้งสองผสมกับน้ําในกระติกแล้วรูปตามใบหน้าและลําคอเพื่อดับกลิ่นน้ําหอมจากกระดาษเช็ดหน้าที่อาจเหลือติดครางอยู่ให้หมดสิ้นไปแล้วผินมองดูยิ้มยิ้มนึกชมในความฉลาดไว้พิฟแก้ไขสถานการณ์ของหล่อน แต่ชา ย, ยันสะกิดแขนทำหน้าขึงขังสับยอกมาว่าตายแล้วน้อยมาเรื่องอะไรถึงเอาใบตําแยมาทาหน้าประเดี๋ยวได้คันตายเท่านั้นทําไมไม่ถามเสียก่อนดาลินตกใจหันไปพิจารณาดูใบไม้ที่หล่อนรูดมาอีกครั้งแล้วจ้องหน้าเพื่อนชายบ้าชา ย, ยานันใครบอกถึงว่าใบตําแยอา้าวก็บอกอยู่นี่ยังไงล่ะไม่เชื่อถามรพินดูก็ได้หล่อนหันขวักไปทางพรานใหญ่ทันทีเห็นรพินกัดริมฝีปากกลั้นหัวเราะ ก็เหวี่ยนกับปั้นทุบลงไปกลางหลังเพื่อนชายอย่ามาทําหลอกหน่อยเลยไม่สําเร็จหรอกรู้ไว้สียด้วยว่าวิชาพฤกษศาสตร์ฉันก็เรียนเหมือนกันพอจะดูออกหรอกว่าใบไม้ชนิดไหนเป็นอันตรายต่อผิวหนังหรือไม่เห็นเป็นเด็กอมมือไปแล้วหรือยังไงหลอกได้หลอกเอาชายยันแยกเขี้ยวหลังแอ่คลางอู้มือยังกระงวงไอ้แหว่งน้อยนี่ก็ไม่รู้นี่ว่าคุณหมอเรียนวิชาพฤกษศาสตร์ด้วยเห็นวิชาสัตวศาสตร์แย่มาก ตะแค่ออกลูกเป็นตัวช้างออกลูกเป็นไข่ก็นึกว่าจะหลอกได้น่ะสิเมื่อไหร่เธอจะมาเป็นคนไข้ของฉันอีกสักครั้งนะภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเฟ้ยแล้วกันสิไงแช่งกันอย่างนั้นเพื่อนชายร้องรั้นดาดิานหัวเ ร, ราะ ห, ห, หึมองไปทางรพียินผู้กลั้นหัวเราะกึกกึกอยู่ลาวล่ะคิดจะต้มฉันด้วยหรือเปล่าเปล่าครับผมไม่ได้พูดอะไรสักคาดีแล้ว หลอนว่ายิ้มมุมปากอย่าไปเข้าวพวเป็นปีเป็นคุยกับคนไม่ดีอย่างชั ย, ยันนะไม่งั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรขึ้นมาจะพึ่งหมอคนที่ชื่อดารินไม่ได้เล่นอาฆาตกันแบบนี้ทีเดียวหรืชา ย, ยันบน่นหน้ายูยยี่ดารินยักคิ้วให้รู้ไว้ได้รว้หน้าเลยอย่าพลาดก็แล้วกันขอยาจากฉันเมื่อไหร่เป็นโดนดินไม่กระจายอย่าไหนเมื่อ น, นั้นเพื่อนชายตาลฝนเริ่มโปรยเป็นระออง เมื่อต่างผ่านป่ารั่วเข้าสู่บริเวณซอกเขาซึ่งป่าเริ่มทึบขึ้นทุกขณะอากาศขมุกขมัวทั้งๆที่เป็นเวลาเที่ยงวันพอลงเนินอีกฟางหนึ่งเข้าสู่ดงทึบอันเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และเถาวัลย์แง่าสายผู้แยกอ้อมไปอีกด้านหนึ่งและเดินนําอยู่เบื้องหน้าก็หยุดชะงักตรงบริเวณลาห้วยแห้งต่อนหนึ่งซึ่งบาดนี้เปียกแฉะเพราะฝนตั้งแต่เมื่อคืนซุดตัวลงนั่งคุกเข่าพิจารณาพื้นตอนนั้นระผินก็เร่งฝีเท้าตรงเข้าไปโดยเร็ว รอยเท้าช้างโขลงที่นำมาตลอดเวลานั้นผ่านไปทางลํำห้วยนั้นขึ้นสู่อีกฝากหนึ่งน้ำที่ขังอยู่ในบริเวณบางตอนเป็นรอยขุ่นครากมีตะกอนรอยควางอยู่มิหนํำซ้ำยอดหญ้าที่มันย่าผ่านไปซึ่งเอ็นราบลู่ยับลงกับพื้นขณะนี้เพิ่งจะค่อยๆชูยอดขึ้นมาสเก็ดน้ำและโคลนซึ่งกระเซ็นอยู่รอบๆยังใหม่หรือเกินแง่าสายเงยหน้าขึ้นสบตาและพิน ผู้บาดนี้ยืนเบิกตาโพรงจ้องร่องรอยเหล่านั้นอยู่โดยไม่ได้เอ่ยคําใดกันทั้งสิน้นพรานของเขาทั้งสามปาดตรงเข้าไปที่กองมูลใหม่ๆกองหนึ่งกอบขึ้นมาขยี้ในมือแล้วเพ่นกลับมาที่รพินกระซิปกระรัมรักขี้ของมันยังอุ่นอยู่เลยนายชัยยันกับดารินผู้ไม่เข้าใจอาการของบุคคลเหล่านั้นนะับหันไปจ้องพรานใหญ่เหมือนจะถามก็เห็นดวงตาสีเด็กคนนั้นเป็นประกาย ไอแหว่งผ่านตรงนี้ไปเมื่อไม่เกิน15นาทีมานี้เองเขากะซิบเบาที่สุดประโยคที่ผ่านเขาหูทำให้หวัวใจของชายยานและดารินเต้นแรงชายยานผู้กำลังฆ่าบุริอยู่ทิ้งลงกับพื้นและขยี้ดับโดยเร็วก็แปลว่าเรากะชั้นหลังมันมาติดๆนะสีมันรู้ตัวหรือเปล่านี่ผ่านใหญ่ใช้สายตาสำรวจดูหลักฐานร่องรอยนั้นอีกครั้งเม้มริมฝีปากแน่นสังเกตดูพวกมันไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยเดินกันไปตามสบาย มันคงจะไปหยุดอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งจนกระทั่งพวกเรากระชั้นระยะใกล้เข้ามาจึงเริ่มออกเดินต่อแล้วพินตรวจทางลมอย่างรอบครอบระมัดระวังแล้วก็ซิฟต่อมาว่าเราตามมันทันในดงทึบข้างหน้านี้แหละภายในไม่เกินชั่วโมงข้างหน้านี้ถ้าลมไม่เปลี่ยนทิศเสียก่อนมันรู้ตัวหรือเปล่าว่าเราตามใกล้เข้ามาดาลินถามย้ำใหมอีกครั้งผมยังไม่กล้ารับรองอะไรเธ่อะไรทั้งนั้นถ้าจะพิจารณากันในด้านทางลมแล้วมันไม่ควรจะรู้ เพราะเรามาทางใต้ลมตลอดแต่เราจะเชื่อแน่อะไรได้กับช้างอย่างไอ้แหว่งถึงไม่ได้กลิ่นก็อาจได้ยินเสียงของเราก็ได้การเดินผ่านบริเวณนี้ไปอย่างมีระเบียบและไม่รีบร้อนของมันทำให้เราต้องคิดมากสมมุติว่ามันรู้ตัวการเดินแบบนี้ก็แปลว่ามันมีอุบายที่จะเผชิญกับเราเรียบร้อยแล้วในดงข้างหน้านี้เอาล่ะครับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเตรียมตัวได้ชยันปลดจุดหกนในโตเอ็กซ์เพรสคู่มือออกจากไา ดาลินขยับลุกเลื่อนเอเธอร์บ ER .300 ดมศูนย์ศแมกนัมของรอนอย่างแผ่วเบาแล้วเซฟไว้เพียงแค่ปลดห้ามไกลก็สามารถจะด้านกระสุนได้ทันทีพรานใหญ่ตัวทางลมเพื่อให้แน่ใจอีกครั้งก็ทำมือเป็นสัญญาณกับคนของเขาเกิดจันท์และเสยกอบอามูลช้างขึ้นมาระเดงตามเนื้อตัวในทันทีนั้นลมอ่อนๆพัดจากดงทึบออกมายังปากลําห้วยมีกลิ่นสาบโคลและไออับของใบไม้เน่าโชยมา สร้างบรรยากาศให้เกิดความตะขันคอสะบัดร้อยสะบัดหนาวขึ้นมาในบัดรดนเสียงข้างฝูงใหญ่ส่งเสียงคิกเคาะอยู่บนยอดไม้ทึบห่างออกไปทางปาทท่าถล่มด้านขวามือได้ยินมาแววแววโดยไม่เอ่ยคำพูดใดกันอีกเลยนอกจากภาษาใบทั้งหมดภายใต้การนำของระพินข้ามปากห้วยขึ้นสู่ฟ้าตรงข้ามแล้วเคลื่อนไปอย่างเบากริบราวกับเงาของปีศาจปีศาทุกส่วนเขม็งเกลียว ตื่นพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ร้ายอันรอคอยอยู่เบื้องหน้าภายใต้เงาธมนึบของป่าใหญ่ซึ่งไม่มีสิ่งใดจะบอกได้ว่าพยาโคตสารร้ายพร้อมบริวารของมันผู้แฝงตนอยู่ในนั้นรอคอยที่จะถูกล่าโดยไม่รู้ตัวจากมนุษย์หรือจะเป็นฝ่ายรอคอยเพื่อหมายล่ามนุษย์ที่ติดตามมันมากันแน่สัตว์เล็กประเภทลิงข้างและนกบางชนิดจักว่าเป็นสัตว์ประเภทปากบอดอยู่ไม่น้อย มันมักจะร้องส่งสัญญาณขึ้นเสมอเมื่อเห็นสิ่งแตกปลอมผิดไปจากสภาพปกติของป่าเบื้องหลังเสียงร้องทักและปฏิกิยาของพวกมันย่อมจะบอกให้ทราบถึงทิศทางของเป้าหมายว่าสงบนิ่งหรือเคลื่อนไหวยอยู่ยังที่ใดรหัสนี้ใช่ว่าจะใช้ประโยชน์ได้เฉพาะฝ่ายมนุษย์ผู้ร่าถ่ายเดียวก็หาไม่สัตว์ร้ายที่หมายล่าก็อาจสเนี่ยความผิดปกติจากสัญญาระวังภัยชนิดนี้ได้เช่นกัน แล้วช่วยประโยชน์ให้ตัวมันเองโดยการเตรียมพร้อมที่จะหลีกหลบตะเลดิดหนีหรือมิฉะนั้นก็แฝงกายเข้าที่ซุ่มเพื่อดักทําร้ายตามแต่กรณีเสียงข้างฝูงนั้นทําความอึดอัดลำบากใจให้แก่ระพินยอย่างยิ่งมันเตือนให้เขาพอจะคเนดได้ว่าไอ้แหว่งและโขง ข, งของมันขณะนี้อยู่ในทิศทางใดขณะเดียวกันก็อาจเตือนให้ไอ้แหว่งไหวทันว่าบัดนี้ฝ่ายมนุษย์ได้ย่างกายกระชั้นชิดเข้ามาแล้วทุกฝีก้าวย่างที่เคลื่อนไป กระแสลมเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนอกจากฝีเท้าอันเงียบกริบถ้าอ่านผิดเพียงนิดเดียวโอกาสที่จะได้เห็นตัวมันเป็นอันหมดหวังทั้งๆ ท, ที่ก็สำเนีกได้ชัดว่ามันอยู่ไม่ห่างออกไปนักภายในเงาบทบังของหมู่ไม้อึดใจใหญ่ๆต่อมาเสียงข้างฝูงนั้นก็ค่อยสงบลงทั้งป่าตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งจนกระ ท, ทั่งได้ยินเสียงลมหายใจของแต่ละคนที่ย่องอยู่ในขณะนี้ ต่างสอดสายสายตาไปรอบด้านอย่างระมัดระวังมีเสียงกิ่งไม้แห้งหล่นจากครบสูงลงมาประท้าซุ้มไม้เบื้องร่างดังสนั่นขึ้นครั้งหนึ่งพรานใหญ่หยุดชะงักเงี่ยหูสดับรหัสลักษณะของเขายามนี้เหมือนจะเข้ายานโดยปราศจากความรู้สึกอื่นใดทั้งปวงนอกจากความแนว่วแน่ของกระแสคลื่นแห่งประสาท ส, สัมผัสที่ส่งออกไปสำรวจตรวจค้นเท่านั้นเกิดจันและเซยตึงตัวเองนิ่งอยู่กับที่ พากันจ้องมองมาที่นายของพวกเขาเหมือนจะรอการตัดสินใจและคำสั่งส่วนแงสายซึ่งซุดตัวลงนั่งคุกเขา่าเคียงคู่กับชายยันในยามนี้หย่อนกายลงพังภาพกับพื้นเอาหูแนบดินและสกิดชายยันบุยปากไปยังดงผากอันแน่นทึบเบื้องหน้าเป็นความหมายบอกให้ทราบว่าโขงชา้างแล้อจะอยู่อยู่ในดงผากไม่ห่างออกไปนักนี่เองดาดินสังเกตไปยังอาการของทุกคน แม้จะไม่มีการปริปากบอกกันเชิดหนอีกเลยหล่อนก็สามารถเข้าใจสถานการณ์ได้โดยสัญชาตญาณหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยเงือออกชุ่มฝ่ามือทั้งสองซึ่งบัดนี้เย็นเฉียบค่อยๆวางไรเฟินโด่งเช็ดมือกับขากางเกงจนแห้งสนิทแล้วจึงหยิบอาวุธคู่มือขึ้นมากระชับอีกครั้งข่มสติสำรวมใจแน่วแน่ต่อสู้กับอำนาจความตื่นเต้นพรั่นใจที่บังเกิดวูบวาบขึ้นมาในบัดนี้ตาเป็นประกายวาว ไม่มีสัญญาหรือการเคลื่อนไหวใดๆจากช้างโขงนั้นเลยหากว่ามันจะอยู่ในดงผากนั้นจริงพวกมันทุกตัวก็พากันซุ่มอยู่อย่างสงบเงียบที่สุดขณะนี้ทุกสายตาพุ่งมารวมจุดอยู่ที่พรานใหญ่เป็นเป้าหมายเดียวก็เห็นเขาโบกมือเรียกให้เข้ามารวมจุดพร้อมกันอีกครั้งทั้งหมดเคลื่อนอย่างแผ่วเบาเข้ามาสมทบรปินส่งภาษาใบกับคนของเขาอยู่อึดใจซึ่งแต่ละคนเหล่านั้นก็สามารถเข้าใจได้ดีเพราะความเคยชิน แล้วก็หันมาทางชา ย, ยันกับดารินพูดแบบไม่มีเสียงโดยให้จับใจความได้จากการขยับของริมฝีปากและภายหลังจะโต้ตอบในวิธีเดียวกันอยู่อีกครู่เดียวทั้งดารินและชา ย, ยันก็เข้าใจแผนทั้งหมดทั้งหมดเจคนแบ่งออกเป็นสามสายสายที่หนึ่งมีแง่สายชายยันและเกิดสามคนจะแยกอ้อมไปทางด้านซ้ายโดยยึดลาห้วยลึกต่โอบขึ้นไปสายที่ 2, สองสยและจันทร์ ือขึ้นไปแนวตรงโดยคานฝ่าดงผากเข้าไปส่วนสายที่สามระพินและดารินอ้อมขึ้นไปทางด้านขวาเลาะลัดไปตามชายเนินการยิงจะเป็นไปโดยอิสระสุดแล้วแต่ใครจะเห็นเป้าหมายก่อนแต่เป้าหมายแรกที่สุดควรจะเป็นไอ้แหวงจาง่าโขงสักซ้อมนัดแนะเป็นที่เข้าใจดีแล้วทั้งสามฝ่ายก็ย่องกริบแยกาจากกันบ่ายหน้าไปตามทิศทางที่กาหนดก่อนจากชา ย, ยันบีบมือระพินแน่น แล้วจะโงกมาจุบเบาๆที่แก้มของเพื่อนสาวกระซิบโชคดีน้อยหวังว่าพานใหญ่คงคุ้มกองเธอได้หญิงสาวยิ้มให้กับบุรุษผู้ร่อนรักสนิทเหมือนพี่ชายร่วมสายรุหิตพยักหน้าเช่นเดียวกันชายยันขอ้เธอปลอดภัยและโชคดีเสยกับจันมุดผงหายเข้าไปก่อนแล้วชายยันกับแง่า ย, ายและเกิดก็กาลังจะรับตาไปในราห้วยแล้วผิดไม่ได้พูดอะไรกับหล่อนอีกเลยแม้แต่คาเดียว ก้าวยาวๆออกจากที่ไปราวกับเงาผีดาลินจรดเท้าตามรอยเขาติดไปทุกระยะไต่ขึ้นเนินเลาะไปตามไหล่อันลกทึบไปด้วยน้ำพุงดอและต้นเสมาจากนั้นก็แทรกตัวประหนึ่งสัตว์เรื้อนรอดเข้าไปตามซุ้มเถาวันที่ปกคลุมแน่นทึบจนแทบจะไม่มีแสงสว่างรอดเข้ามาได้ใช้ศอกและข่าวคืบนากายรุดหน้าไปอย่างเช่มช้าหล่อนตามเขาอย่างแคลวคล่องว่องไวในทุกกษณะ เพียงแต่ยากยิ่งที่จะต้องคอยระวังไม่ให้เกิดเสียงขึ้นหลายต่อหลายครั้งที่เขาต้องหันมาช่วยปลดกลิ่งน้ำที่เกี่ยวติดตามร่างกายของหลอนออกระหว่างที่หมอบขานเกียงคู่กันไปบางครั้งเขาคือบลอดซุ้มน้ำเตีย้ยๆล่วงหน้าหลุดพ้นออกไปได้ก่อนแล้วหันมาทำสัญญาณให้หลอนยื่นส่งลำกล้องของไลเฟิลออกมาให้ฉุดลากตัวหญิงสาวให้ถลายตามพื้นลอดออกมาตามซุ้มนั้นโดยอาศัยไรเฟลเป็นเครื่องช่วยฉุดไม่มีคาพูด มีแต่แววตาของการและกันเท่านั้นที่จะใช้แทนภาษาส่งความหมายนักมานุษยวิทยาสาวเชื้อพระวงศ์เพิ่งจะมาตระหนักแน่นบัตรนี้เองว่าความลำบากยากยิ่งของการตามรอยสัตว์หาได้อยู่ที่อันตรายในการเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายหรือการเดินอันแสนจะเหน็ดเหนื่อยนั้นไม่แท้ที่จริงมันอยู่ที่วิทยะมานะและความอดทนขั้นสูงสุดในอันที่จะคืบคลานฝ่าโรคฝ่าน้ำ ในลักษณะไม่ผิดอะไรกับสัตว์เรือยคานเพื่อเข้าหาสัตว์ที่จะหมายล่าโดยไม่ให้มันรู้ตัวนั่นเองมันยากแค้นแสนเข็นจนแทบจะสิ้นศรัทธาทีเดียวแหละหากกำลังใจลดหย่อนลงแม้แต่นิดเดียวและพินภัยวันเองก็เช่นกันทุกครั้งที่จำเรืองดูร่างงามซึ่งคืบคานติดหลังเป็นเงาอยู่ในขณะนี้เขาแทบจะเชื่อสายตาเสียมิได้นี่หรือราชาสกุลสาวสวยผู้สูงนิานะและชาติสกุล เพียรพร้อมไปด้วยทรัพย์สรึงคารทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หรือที่มาลากปืนหมอบคลานฝ่าขวากน้ำอยู่เคียงข้างเขาในขณะนี้เลือดเนื้ออันน่าทะนุถนอมที่มาเกลือกกล้วอยู่กับน้ำในทุลีดินจนหมองคล้ำกลามเกลียมหัวใจของเธอประกอบขึ้นด้วยธาตุอันใดและจะมีผู้หญิงอย่างเธออยู่ในโรคนี้สักกี่คนชั่วขณะหนึ่งที่เขานอนหมอบหยุดรอจนกระทั่งดารินคืบกายด้วยสอขึ้นมาพังภาพอยู่เคียงข้าง ตลอดกายของหล่อนเปียกชุ่มโชคไปด้วยเหงื่อราวกับอาบน้ำและหยาดเหงื่อเกาะพราวอยู่ที่ขนตาซึ่งบัด น, นี้กับพริบจ้องนาเก่าเหมือนจะถามถึงแผนคืบหน้าต่อไปเศษใบไม้และผงทุรีตลอดจนรอยขีดข่วนเต็มไปหมดทั้งสองแก้มอันแดงปรังไหล่ตะไลเบียดกระทบกันอย่าเมื่อเคียงคู่กันอยู่เช่นนี้ใบหน้าอันกล้าเกรียมของพรานใหญ่ปรากฏรอยยิ้มขึ้นนิดหนึ่งทาให้แลดูอ่อนโยนขึ้น หล่อนยิ้มตอบปาดแขนเสื้อกึ้นเช็ดเหงื่อบนใบหน้าแม้ฝนจะปกคลุมเป็นละอองอยู่ยังป่าเบื้องนอกแต่ในบริเวณดงทึบรอบตัวในขณะนี้เต็มไปด้วยความอ้าวระอุและอบเหมือนอยู่ในนรกยิ่งทารุณหนักขึ้นไปอีกเพราะขุยผากและละอองจากใบไม้บางชนิดที่ทำให้คันยิบไปทั้งตัวความบึกบือและทรหดของหญิงสาวสัมแดงเห็นชัดในภาวะเช่นนี้ สีหน้าและแววตาของหลอนไม่ได้บอกริ้วรอยของความขยาดกลัวหรือท้อถอยเลยแม้แต่นิดเดียวเขาปลดกระติกน้ำแบบสนามใบเล็กที่เหน็บติดเข็มขัดเบื้องหลังออกมาส่งให้หล่อนรับไปกรอกใส่ปากสองสามอึกระส่งคืนหยุดการเคลื่อนไหวสงบฟังเสียงอยู่ที่นั่นอีกอึดใจใหญ่ระพินก็พยักหน้าเป็นความหมายเตือนให้หล่อนคืบตามเขาต่อไปบริเวณนั้นราบต่าลงเป็นลาดับ รูเดียวทั้งสองก็พบตนเองอยู่ในวงร้อมของต้นลานตีเตี้ยสลับไปกับสุมทุ่มพุ่ ม, พ, มพึกมองเห็นสิ่งรอบด้านได้ในระยะไม่เกิน20หลาพรานใหญ่ยันกายจากท่าที่หมอบคานอยู่ลุกขึ้นยืนค่อมตัวจรดฝีเท้าเข้าไปซุ้มอยู่ที่ซุ้มเถาวันเคลือตอนหนึ่งแล้วซุดนั่งลงที่นั่นดารินย่องตามเข้ามาแอบอยู่ใกล้ๆโดยไม่เสียเวลาแม้แต่นิดหนึ่งตลอดระยะที่หล่อนคืบคานติดหลังเขามาอย่างลำบากยากเย็น เป็นววลาไม่ต่ำกว่า15นาทีหล่อนไม่ได้สำเนียกบี้แววหรือร่องรอยของช้างตัวใดทั้งสิ้นแม้จะพยายามใช้ประสาทหูประสาทตาสักเพียงใดก็ตามฝ่ายของชายันก็ดีหรือฝ่ายเสยกับจันก็ดีที่แยกกันไปอีกคนละด้านก็ยังเงียบเชียบดูราวกับว่าคนเหล่านั้นถูกป่าใหญ่กลืนหายเข้าไปอย่างลึกลับขนนั้นเอง ระหว่างที่พยายามสอดสายสายตาออกไปยังเงาสรวคลุมเครือในรัศมีครึ่งวงกลมของทิศทางเบื้องหน้าหูของหลอนก็สัมผัสกับเสียงอะไรชนิดหนึ่งดังแทรกมาในความเงียบมันเป็นเสียงดังคึกๆึกเบาๆแล้วก็เงียบหายไปไม่ถึงอึดใจก็ดังขึ้นอีกพรานใหญ่เจาริมฝีปากเข้ามาชิ้ถูของหลอนกระซิบเสียงน้าล่นในท้องของมันพวกมันอยู่ใกล้ๆเรานี่เอง ทั้งๆ ท, ที่เตรียมกายและใจพร้อมร่วงหน้าอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าจะต้องเผชิญกับอะไรแต่ประโยคกระซิบของระพินที่ผ่านเข้าหูก็ทำให้หญิงสาวเย็นว่าบเข้าไปถึงไขสันหลังมือสั่นน้อยๆแทบจะระ ง, งับความตื่นประมาะไว้เสียไม่ได้แต่ละลมหายใจที่ป่านพยายามนี้มาดูช่างยาวนานเสือเกินระพินนำหล่อนคานคืบหน้าอีกครั้งมุดรอบพงถวันอันเป็นด่านสัตว์เล็กอ้อมวกไปทางขวามือ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 เสียงเพื่อพอันเกิดจากใบหูกว้างใหญ่ที่กระพือรมอยู่เป็นระยะแวววมาให้ได้ยินอีกครั้นแล้วหนึ่งในจำนวนของโงขลงก็จะสารผีสิงก็ปรากฏขาหลังของมันข้างหนึ่งให้เห็นอยู่ในระหว่างพงไม้อันนาทึบมองผ่านผ่านราวกับรำต้นลานที่ขึ้นอำพรางตาอยู่ทั่วไปดารินตาไวพอใช้หล่อนเห็นเป้าหมายนั้นไร่เลี่ย ก, กับเขาขยับไรเฟิลประทับขึ้นแต่ก็ต้องชะงักเพราะฝ่ามือของรพีนแตะไหลไว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 ก็เห็นส่วนบั้นท้ายของอีกตัวกำลังยืนในลักษณะโยกไหวอยู่ไปมาไม่มีปัญหาพวกมันยังไม่มีโอกาสไว้ตัวเลยว่ามนุษย์ฝ่ายล่าลุกเงียบเข้ามาจนถึงตัวแล้วแต่ละตัวเท่าที่จะมองเห็นได้ในขณะ น, นี้อยู่ในอาการสงบเหมือนจะพักผ่อนในตำแหน่งที่ยืนของมันนานๆก็ชูงวงขึ้นสูดกลิ่นสักครั้งเป้าหมายเหล่านั้นเห็นเพียงรับรับลอเท่านั้นเพราะซุ้มไม้ที่บางกิกะอยู่ทั่วไป รวมทั้งเงาพรางตาแน่นอนที่สุดถ้ากระสุนลั่นขึ้นเปรียงเดียวดงรอบด้านเหล่านี้จะปั่นป่วนเป็นพายุสระตันในพริบตาและบัดนี้ทั้งเขาและดาลินก็เข้ามาอยู่กลางโคลงของมันเข้าให้แล้วไอแหว่งมหาการไปรยืนหลบอยู่ตรงตำแหน่งไหนนี่คือปัญหาหนักใจที่สุดของรพินญญมนี้กระสุนนัดเดียวที่จะทําให้โคลงของมันป่วนขึ้นหมดทั้งพบวน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 ไม่เปิดโอกาสให้แกการใคร่ครวนใดๆได้ต่อไปอีกสําหรับพระพินภัยวันยิ่งเขาร้องเร็วปื้อกระโดดลงจากเนินดินตวัดปืนริ้ประทับลายแต่ความจริงไม่จําเป็นต้องสั่งแล้วเพราะพร้อมๆกับเสียงร้องของเขานั่นเองจุดสามศูนย์จากมือของหญิงสาวก็ระเบิดสนั่นวันไหวขึ้นอย่างดุเดือดกลบเสียงร้องและความวุ่นวายของพวกมันหมดสิ้นหล่อนเหนียวไกลทันทีที่เจ้าตัวนั้นโผล่หัวออกมาให้เห็นถนัด กระสุนน้ำหนัก220เกรนนัดนั้นทะลวงสวนเข้าโคลงวนของมันอย่างแม่นยามราวกับจับวางแต่อัจจะเนื่องมาจากความคมและเร็วจนเกินไปของหัวกระสุนหรือจะเป็นเพราะความอดทนเป็นพิเศษในขั้นสุดท้ายของชีวิตแห่งมันอย่างไรก็เหลือที่จะเดาไอ้ยักษ์เพียงแค่สะถานไปทั้งร่างแผ่เสียงกึกก้องแล้วก็ตะลุยปรีเข้าใส่คนยิงอย่างบ้าเลือดดาดินกระชากลุกเลื่องอย่างรวดเร็วก็นําซ้ําเข้าไปอีกนัด พร้อมกับเผ่นออกจากที่วิ่งเข้าหากอร่วกใหญ่ทางเบื้องหลังหล่อนไม่อาจทราบได้ถึงผลปฏิบัติการของกระสุนนัดหลังเพราะมันลั่นขึ้นพร้อมๆกับจุดสี่ห้าแปดจากมือของพรานใหญ่ซึ่งพอกขาเสียงพยาโฆษณาตัวนั้นก็โค้นคลืนจนแผ่นดินสะเทือนเศษของกระดูกปนบริเวณขมับด้านทางออกของกระสุนกระเด็นหลุดออกมาขาวเวอร์ชิ้นทฝ่ามือเลือดทรัลกพร่างเป็นสายทานมันใหญ่เรือขนาดแต่ไม่ใช่ไอแหวง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 วิ่งตะรูยอยู่สับสนโรมานแทบจะนับไม่ถ้วนแต่ละตัวส่งเสียงร้องกึกก้องเหยียบย่ำพุ่มไม้หักอยู่คลืนโครมอึงคเนึงรอบตัวบ้างตระหนกเป็นพายุผ่านหน้าไปและบ้างกระพุ่งเข้าใส่ด้วยความดุร้ายอาฆาตสุดและแต่มันจะเห็นโลกซี่ที่ประจันอยู่เหมือนจะถูกบทบางด้วยพายุพะการทะมึนมืดเป็นภูเขาราวกาจ้าระวันไปหมดดูแทบจะไม่ทันดาดินยิงเผาขนเจ้าตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งที่ทยานร่าเข้ามาหาร่อนใกล้ที่สุด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 ทั้งเขาได้ร่อนมีหวังถูกวิ่งเหยียบแหลกลานไปหากหลบไม่ทันหรือกำบังไม่แข็งแรงพอโอกาสที่จะยิงแทบไม่มีอยู่เลยนอกจากการหลบเอาตัวรอดไว้ก่อนจากภาพวูบวาบสันร้าที่มองเห็นอยู่ในขณะนี้และพินใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนักมานุษย์วิทยาสาวคล่องแค่วรวดเร็วและอาจหารเกินตูก็จริงแต่ร่อนยังไม่รู้จากหลักมีการเอาตัวรอดนะักเพราะพัวงแต่จะยิงล้างผานพวกมันเหล่านั้น มากกว่าที่จะคิดหลีกหลบร้ายต่หลายตัวที่วิ่งแตกตื่นเฉียดกล่อนไปอย่างบุบวิดชนิดที่หล่อนยิงไม่ทันและมัวงงอยู่หลบเข้าโคนรัว่วอย่าออกมาพรานใหญ่ตะโกนเสียงหลงพร้อมกับเพ่นตรงก็ไปยังหล่อนยามนั้นดูหล่อนจะไม่ได้ยินเสียงของเขาเสียแล้วสบัดปากกระบอกไรเฟื่จี้ตามเจ้าตัวหนึ่งที่วิ่งเป็นพายุสนาตันโดยที่หารู้ไม่ว่าบัดนี้เยื้องออกไปทางเบื้องหลั ง, งวงของไอ้ัยร้ายอีกตัวหนึ่ง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 นอกจากความมโหราณของร่างกายสีดำสนิทนั้นดวงตาอันเล็กตีไม่สมกับส่วนศีรษะอันมหึมาปานรถบนถนนเต็มไปด้วยกายมุ่งร้ายหมายขวัญงาข้างหนึ่งแหลมพ้นปากออกมานิดเดียวส่วนอีกข้างอวบใหญ่ยาวเฟื้อยปลายแหลมราวกะพอกและบัดนี้งาข้างนั้นปักดิ่งตรงเข้ามาในระดับกลางลําตัวของเขาปืนในมือไม่มีประโยชน์เสียแล้วเพราะปากกระบอกสายเปิดปากไปอยู่เสียทางใดไม่ทราบได้ จะถอยหลบก็สายเสียยิ่งกว่าสายดีบัตดนี้ตายงามั จ, จุราพุ่งแหวกอากาศเข้ามาที่ตัวเขาห่างไม่ถึงศอกในสายตาเบิกโปรงที่หันมาพบเข้าพอดีนี้สัญชาตญาณอันนอกเหนือการบังคับเท่านั้นที่ทำให้เขาเอี้ยวตัวแล้วก็รู้สึกในพริษตาต่อมาว่าแท่งงาอวบใหญ่ข้างนั้นทะรวงผ่านซอกสีข้างลงไปตักสวนตึงแน่นอยู่กับดินตัวเองจำ้ำเบาหงายหลังลงกับพื้น หัวใหญ่มหึกมาก้มลงมาคร่อมทะ ม, มืนบังโลกทั้งหมดไว้อย่างเหนียวแน่นและด้วยกําลังที่มีอยู่ทั้งหมดแลรพีนใช้แขนตวัดรัดรอบงาของมันไว้พลิบตาต่อมาก็รู้สึกว่าถูกงัดวูบลอยขึ้นแขนที่รัดรอบงาก็พันหลุดออกด้วยกําลังเหวี่ยงมหาศาลตัวเองลอยเคว้งคว้างขึ้นไปกลางอากาศเหมือนจะระเหิดขึ้นเป็นสู่อีกโลกหนึ่งกําหนดไม่ถูกว่าพื้นดินหรือท้องฟ้าอยู่ทางด้านไหน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 กลิ่นหอมสดชื่นมาจากสิ่งที่แตะอยู่กับหน้าเขานั่นเองแล้วก็ได้ยินเสียงเรียกอย่างร้อนรนว่าระพินระพินขยับตัวออโอ้โหมันขยับยอกร้าวระบมไปทั้งสารพางกายแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือประหนัตกตนเองได้ดีว่ายังไม่ตายม่านตาของเ ข, เขาขยายกว้างขึ้นในทันทีนั้นและทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับเข้ามาในความรู้สึกครบถ้วน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 โชคดีหรือเกินที่คุณลอยลงไปตกในซุ้มเถาวันทีแรกชั้นใจหายหมดนึกว่าคุณคอหักเสียแล้วตรวจดูไม่เห็นส่วนไหนบุบสลายค่อยร่องอกหน่อยพรานใหญ่กว่าสายตาไปรอบๆมันเป็นโดงบริเวณเดียวกันกับที่เขาประจันหน้ากับไอ้แหวงก่อนที่จะถูกงัดรอยขึ้นไปและตกลงมาหมดสตินั่นเองไอแวงขหลุดปากออกมาแหบๆจ้องหน้ารอนมันไปไหนแล้วดาดินหัวเราะออกมา สีหน้าของรอนยังเต็มไปด้วยริ้วรอยของความตื่นเต้นขวัญห น, นีดีฟอร์ตเหตุการณ์มันเปิดป่าราบไปแล้วตอนที่มันงัดคุณรอยขึ้นชังยิงออกไปนัดหนึ่งไม่รู้ถูกตรงไหนเห็นเลือดสาดเป็นทางแล้วมันก็วิ่งตะบึงไปตามซ้ำไม่ทันพระพินสะบัดหน้าเรา่าเรไล่ความมึนงงยังจับต้นชนลายไม่ถูกนักทุกครั้งที่เขาขยับตัวมันแปร่ย่อไปหมดจนต้องส่งเสียงครางบัดนี้ป่ารอบตัวเงียบสงัดคงมีแต่ข่าและรอนเท่านั้น แล้วนี่พวกเราไปไหนกันหมดแล้วครับดารินถอนใจเบาๆสั่นศีษะพางมองไปรอบๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากฉันยิงไอ้แหวงเป็นนัดสุดท้ายแล้วก็ได้ยินเสียงปืนลั่นห่างๆอีสองนัดจากนั้นทุกอย่างก็เงียบไปหมดฉันลองกูเรียกอยู่ภาคหนึ่งแล้วไม่ได้ยินเสียงใครตอบมาเลยก็เลยไปล่าคุณออกมาจากพงถาวรปลุกให้ฟื้นขึ้นมานี่แหละว่าแต่คุณเถอะเป็นยังไงบ้างหญิงสาวถาม พรานใหญ่รูปคำสำรวจดูตามแขนขาของตนเองอีกครั้งแล้วถอนใจเฮือกคนยังไม่ถึงที่ตอนที่ลอยขึ้นไปผมคิดว่าผมตายแล้วไม่นึกว่าจะรอดเลยเคล็ดยอกบ้างนิดหน่อยเท่านั้นคงไม่เป็นไรนักหรอกว่าแต่นี่ผมหมดสติไปนานสักเท่าไหร่ก็ไม่นานหรอกสัก 5-6 าหกนาทีเห็นจะได้คงจะเป็นเพราะจุกอีกตอนที่หล่นลงมาถึงแม้จะมีพงถาวรรับแบ่งบาน้าหนักไว้บ้างตัวของคุณก็ลงมาถึงพื้นอยู่ดี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 สงสัยจะเข้ากลางลําตัวเห็นเลือดออกมากหยดเปรียร้ยเป็นทางไปทีเดียวพอถูกนัดนั้นมันก็ออกวิ่งป่าถล่มไปทีแรกนึกว่ามันจะแหวงเข้าใส่ฉันเสียอีกว่าแล้วหล่อนก็ชี้ให้ดูรอยเลือดเศษส่วนที่กองอยู่กับพื้นและดิร้ราวเป็นทางไปตามทิศทางที่มันตะลุยผาดหนีหยดอยู่เป็นหย่อมหย่อมราวกับใครมาทําถังสีหกไว้พรานใหญ่เดินราขาไปตรวจ ด, ดูร่องรอยเหล่านั้นอยู่ระยะหนึ่ง ก็เหงื่อหน้าขึ้นตาเป็นประกายไปด้วยความหวังแบบนี้ก็สบายแล้วครับถึงไม่ถูกที่สําคัญก็เจ็บหนักไปทีเดียวตามไม่ยากแล้วผมเองยิงไม่ทันพอหันกลับมามันก็ถึงตัวเสีแล้วโชคดีที่คุณหญิงไม่เสียสติอุตส่าห์ยิงมันได้อีกนัดหนึ่งตอนที่มันงัดผมลอยขึ้นไปถ้าไม่ถูกนัดนั้นมันอาจวิ่งเข้าไปกระทือบผมําแหลกไปแล้วก็ได้พวกนั้นเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เงียบฉี่ไปเลยหล่อนเอ่อยขึ้นอย่างร้อนใจ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 แล้วก็ยินดีในการรอดตายอย่างหุดหวิดของทั้งสองชายยันกลราบเข้ามาจับไหล่แลพิณบีบแน่นเทวดาประจําตัวของคุณแข็งเหลือเกินเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ทีเดียวไม่ไม่ถึงว่าคุณจะมีโอกาสได้เข้าประชิดตัวมันจนถึงกับฟัดกับมันด้วยมือเปล่าแบบนี้นี่แช่ถาลุข้าวก็คงแทบช็อกทีเดียวจอมพรานหูวเราะกร่อยๆผมก็ไม่คิดเหมือนกันเลยครับตอนนั้นให้พระอินลงมาเขียวๆบอกผมว่าผมไม่ตายผมก็ไม่เชื่อ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 ทั้งสองฝ่ายจึงพอจะสังเกตเห็นพวกมันได้ในขณะที่เกิดปั่นปวนขึ้นการยิงได้เกิดขึ้นในระหว่างที่มันบุกตรุยแตกตื่นออกมาจึงทำให้ไม่ถนัดนักเพราะต้องคอยหลีกหลบเอาตัวรอดไว้ก่อนและเป็นระยะที่ประชิดตัวหรือเกินทางด้านชา ย, ยันนั้นเกิดหวุดหวิดจะถูกเหยียบตายไปเช่นกันชา ย, ยันกับแง่าสายยิงช่วยไว้ได้ทันในวินาทีสุดท้ายส่วนทางด้านจันนั้นเสยถึงกับทิ้งปืนเพ่นหนีขึ้นต้นไม้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 แม้ว่าจะในลักษณะที่สะบักสะบ่อบอบช้ำกว่าทุกคราวเสียดายเหลือเกินชา ย, ยันบนอย่างหมายมั่นหันไปมองดูหน้าเพื่อนสาวท่านน้อยยิงนัดนั้นให้ปรานีดอีกสักนิดไอ้แหว่งก็เกมแล้วนี่มันเพียงแต่ได้แผลเพิ่มเติมไปอีกเท่านั้นดาลินหัวร้อแค้นแค้นอัดควันบุรีลึกเหมือนจะให้มันเข้าไปบรรเทาความอกสันขวัญเต้นที่เพิ่งจะผ่านพบเอาไว้ให้เหตุการณ์ที่ฉันพบมันไปนเชิญเข้ากับตัวเธอเองแล้วจะรู้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 พวกเธอยังดีเพราะมีที่หลบฉันกะระเพียนตกอยู่กลางโครงของมันเลยฉันเองก็ยังถูกงวงมันฟาดกระเด็นไปแล้วหญิงสาวก็คว้าจุด3 0 0เอทเอร์บีแมนัมที่วางพาดอยู่กับตักขึ้นมาดูพร้อมกับโครงสีสัตช้ า, ช, าช้าบนพรมทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เพราะไอ้ปืนปัติ๋วหลิวกระบอกนี่แหละซึ่งเรื่องนี้จะโทษฉันก็ไม่ถูกพวกเธอทั้งหลายนั่แหละเป็นตัวการช่วยกันบังคับให้ฉันใช้ปืนเลก็กกระบอกนี้ ฉันใช้จุดสี่เจ็ดูนย์อยู่ดีๆแล้วให้เปลี่ยนสนี่ลูกมันเล็กแล้วก็คมเกินไปไมิหนำซ้ำยังเป็นศูนย์กล้องขยายตั้งสี่เท่ายิงช้างในระยะประชิดในดงทึบแบบนี้รอดตายมาได้ก็นับว่าปาฏิหาริ์นี่ถ้าเป็นจุดสี่เจ็ดศูนนาแหวนก็คงกองอยู่ที่ไปแล้วหรือไม่ก็คงไปไม่ได้ไกลคำพูดของรอนทำให้รัพพินกับชายยันอึง้งไม่อาจโตเถียงคัดง้างอะไรได้เพราะมันเป็นความจริง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 พวกเราสามคนยอมรับผิดในข้อนี้แต่ผมมั่นใจว่านาสุดท้ายของคุณหญิงจะช่วยให้เราถึงตัวมันเร็วขึ้นรับรองว่าไม่เกินส8ชั่วโมงนี้แหละครับโชคชัยเห็นอยู่ใกล้ๆนี่แล้วรพินกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและพยักหน้าเรียกชายยันให้เข้าไปสังเกตรอยเลือดที่กองเลียราดอยู่บอกเบาๆต่อมาว่าสงสัยว่ากระสุนผ่านกางลำตัวแล้วทะลุเลยออกอีกด้านหนึ่ง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 ถ้าแผจชะการจริงมันควรจะล้มลงแล้วแต่รอยที่เห็นมันยังเดินออกตัวปลิวอ้อมไหล่ขาวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือครึ่งลูกกองเลือดที่นำทางเป็นระยะมาเ่านั้นก็อันตรทานหายไปคงเหลือแต่รอยตีนร่องของการเดินของมันเฉยๆพรานใหญ่ตามต่อไปได้ประมาณสองสร้อยหลาก็หยุดชะ ง, งักเม้มริมฝีปากแน่นยืนกวาดสายตาไปรอบด้านอย่างง ง, งๆเลือดมันหยุดแล้วกะมังชยยันกระซิบ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 ก็รอยของมันเห็นอยู่ชัดๆรู้มาทางนี้ไม่ใช่หรือเราตามไม่ผิดแล้วนี่ก็ชั้นรอยเข้าไปอีกเถอดรพินรอยเลือดอาจเว้นระยะห่างออกไปก็ได้ชายยันกล่าวมาอีกอย่างร้อนใจจอมพรานไม่เอ่ยอะไรออกมานทันทีนั้นทอดตาตามรอยตีนช้างใหม่ๆเรานั้นไปอย่างรังเลดึงชายผ้าของม้าที่เขียนเอวอยู่ขึ้นมาทราบเมือ่อแล้วทันทีนั้นขมวดคิ้วเอ่ยขึ้นเร็วว่าเอ๊ะแงซายหายไปไหน ทุกคนเหลียวมองหาแล้วก็เพิ่งจะรู้ บ, บัดนี้เองว่าในคณะขาดหายแงยทายไปคนหนึ่งต่างเต็มไปด้วยความสนเท่ก็เมื่อตะกี้นี้ยังเห็นเดินตามหลังฉันอยู่หลัดๆนี่นาะดาดินพูดโดยเร็วพรานใหญ่ไม่เอ่ยคำใดอีกเลยโบกมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนเดินตามของมาแล้วก็บ่ายหน้าย้อนรอยเดิมกลับไปทางเก่าโดยเร็วพอพ้นพุ่มไม้ใหญ่ทุกคนก็เห็นหนุ่มชาวดงพระเนจรผู้รุกรับ นั่งอยู่ที่โขดหินก้อนหนึ่งเหนือหน้าผาหินอันเป็นทางราด45องศาตัดลงไปยังดงเบื้องล่างระดับสูงประมาณ15หลาและผินจ้องเจ้ากระเหลียงร่างยักษ์ด้วยสายตาอันคมกริบค้นหาขณะที่สาวเทาเ้าเข้ามาใกล้แง่ท า, ายคงนั่งสีหน้าเรียบๆ เ, เป็นปกติจนกระทั่งเขาเข้ามาหยุดยืนจ้องอยู่ตรงหน้าแง่ท า, ายทำไมแกมานั่งอยู่ที่นี่ผมต้องขออภัย หน้ำตามตีนผมผมกำลังเอาหนาออกขนาดที่หยุดทำไมแกไม่บอกพวกเราให้รู้ผมคิดว่าอีกสักครู่ผมก็ตามไปทันผู้กองย้อนกลับมาตามผมหรือแง่าสายยิ้มยิงฟันย้อนถามมาระพินจ้องหน้าแง่าสายนิ่งอยู่เช่นนั้นหัวเราะหึอห่ อ, อยู่ในรำคอฉันไม่ได้เป็นห่วงในข้อที่ว่าแกหายไปหรอกแต่ฉันสงสัยว่าทำไมแกถึงหายไปอย่างเดียวกับที่สงสัยว่ารอยของไอ้แหวงมันหายไปไหน มันไม่ได้ไปตามที่ผู้กองสารอยไปเมื่อกี้นี้หรอกหรือครับแกอาจรู้มาก่อนฉันแล้วก็ได้ว่าไอ้แหวงไม่ได้ไปทางนั้นแม้ว่าพวกมันส่วนใหญ่จะแกล้งเดินล่อไปทางนั้นพรานใหญ่พูดท่วนๆผมจะรู้ดีไปกว่าผู้กองได้ยังไงเจ้าคนโด่งผู้ลึกลับตอบหน้าตายพร้อมกับยักไหลเวทยะไปอึดใจก็ชี้มือลงไปทางหน้าผาราดต่าลงไปสู่ดงเบื้องล่างแต่ถ้าผู้กองแน่ใจว่ามันไม่ได้ไปทางนั้น ผมก็ขออนุญาตออกความเห็นว่ามันอาจหลบลงทางด้านนี้ก็ได้ปล่อยให้ลูกโขลงส่วนใหญ่ทํารอยล่อไปทางโน้นแล้วพินเหลือบมองลงไปยังหน้าผาราดแล้วหันไปจ้องหน้าแงซ า, ายอีกครั้งอย่างคลางแคลงเขามิกล่าวเช่นไรต่อไปเกาะรากไม้และแง่หินย่อนตัวลงไปตามหน้าผาเตี้ยๆนั้นโดยเร็วทุกคนก็ตามเขาลงไปโดยมีแง่ซายา ย, ย่อนตัวลงตามหลังมาเป็นคนสุดท้ายอึดใจเดียวหลังจากนั้น ทุกคนก็ค้นพบรอยเลือดของเจ้าช้างนำบากทลักกองอยู่รวมทั้งร่องรอยการกระสือ ก, กระสนของมันโดยมีรอยของช้างใหญ่อีกสองตัวเดินขนาบคู่ไประหว่างที่ชัยยันอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นยินดีเข้าไปตรวจ ด, ดูรอยเหล่านั้นจอมพรานสมบท์พ ร, รมอยู่ในลำคอสั่นศีษะช้าช้าแล้วเรียกแง่ท า, ายเข้ามาเอาละตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแกแกะรอยนาหน้าไปเขาออกคาสั่งกลาวๆและพยักหน้า เตือนให้แง่าสายเดินลุกหน้าไปคนใช้ชาวดงไม่เ อ, อ่ยคำใดทั้งสิ้นเดินออกนําหน้าตามรอยเหล่านั้นไปโดยดีพอคล้อยหลังพรานใหญ่ก็คำรามออกมาฮึ hmm. ไอเวยนี่มันน่านักทำไมนั่นคุณด่าไรคนของฉันดาลินถามขึ้นโดยเร็วเพราะได้ยินแว่วๆอาการของหล่อนแสดงความประหลาดใจใช่ผมด่ามันไอเวยคนใช้ตัวดีของคุณหญิงนั่นแหละระพินกระชากเสียง จ้องไปยังร่างสูงใหญ่ที่เดินนําอยู่เบื้องหน้าพรานใหญ่หันมาแยกเขี้ยวใสร่รอนอย่างหัวเสียคุณหญิงไม่ทันมันหรอกไอ้เปรตนั่นมันรู้ดีอยู่แล้วว่าไอ้แหว่งแยกโขงหลบลงไปทางด้านหน้าผานี่แต่มันจะบอกผมหรือพวกเราสักนิดก็เปล่าแกล้งปล่อยพวกเราเดินหลงตามรอยลูกโขงไปตัวมันเองนั่งหัวเราะเย่ะรออยู่ตรงนั้นโดยแกล้งบอกว่าหนามต่ำตีนที่แท้มันรู้ว่าผมเดินเซ้อไปสักพักแต่เดี๋ยวก็ต้องย้อนกลับมาอีก มันไม่อยากจะเดินไปกับเราให้เสียเวลานั่งกระดิกตีนรอสบายเชิบถ้ามันบอกเสียแต่แรกเราก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินเลยไ ป, ปเปล่าเปล่าชายันหน้าตื่นในคำพูดของเขาแล้วหูร้อออกมาอย่างขันขันยังงานเละบะไอ้เสือนี่มันสำคัญจริงอคติดารินเถียงแทนแต่สีหน้าและแววตาของหลอนก็ส่อแววขบขันอยู่ไม่น้อยคุณมองแง่ายในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลาแล้ว ก็เลยคิดเลยเถิดเป็นยางนั้นเขาอาจไม่รู้ก็ได้ว่าไอ้แหว่งแยกลงมาทางนี้บังเอิญหนามมันต่าแล้วก็หยุดนั่งบ่งหนามอยู่ตรงทางแยกนั้นพอดีขนาดคุณยังไม่รู้ในตอนแรกว่าไอ้แหว่งแยกลงทางนั้นนับภาษาไรกับแง่ทรายจะรู้เพราะคุณบอกว่ามันไม่ได้ไปทางที่เราตามไปเขาก็ออกความเห็นว่ามันอาจลงมาทางนี้ก็ได้ซึ่งมันบังเอิญตรงกับความจริงเข้า คุณก็เลยหัวฟัดหัวเวียงหาว่าแง่ทายไม่บอกสิแต่แรกแก้ให้คุณเดินเซอร์ไปก่อนว่าแล้วหล่อนก็หัวเราะชอบอกชอบใจหางเสียงบอกชัดว่าความรู้สึกตรงกันกันกบเขานั่นแหละในเรื่องนี้ลถพินเต็มไปด้วยความหงุดหงิดเดือดดานใจสะบดกอิฐ อ, อยู่คนเดียวจากนั้นไม่มีใครเอ่ยคําใดอีกนอกจากเดินรุดหน้าตามแง่ทายไปอย่างรีบเร่งรอยที่ค้นพบใหม่นี้ชัดเจนทุกระยะ บอกให้ทราบถึงไหวพริบปัญญาเกินสัตว์ริระชานทั่วไปของมันในอันที่จะทำอุบายดวงฝ่ายมนุษย์โดยการให้ลูกโรงอื่นๆเดินร่อให้ตามไปเสียทางอื่นส่วนตัวมันเองกับทหารเอกคู่ใจอีกสองตัวแยกหนีมาเสียอีกทางหนึ่งราวกับจะตนักได้ดีว่ารอยเลือดของมันประการหนึ่งและบาดแผล อ, อันสาหัสซึ่งเป็นต้นเหตุให้มันสิ้นเรี่ยวแรงและเดินช้าลงทุกขณะอีกประการหนึ่ง จะเป็นสิ่งที่ทำให้ฝ่ายร่าติดตามมาทันหากไม่ใช่บายหลีกหลบอันแยบยน่อยเลือดหยดทีขึ้นทุกทีเป็นเลือดใหม่สดที่สุดเหมือนกับว่ามันได้ร่วงหน้าไปก่อนเพียงไม่กี่อุจใจนี่เองและแง่ายก็ออกนำเลี้ยวไปอย่างรวดเร็วราวกับหมาล่าเนื้อบางขณะตามลมและบางขณะก็ทวนลมสุดแล้วแต่ทิศทางที่มันจะนำไปก่อนซึ่งบ่ายหน้าลงต่ำเป็นลำดับ รับผิดสกดตามหลังแง่ทรายไปทุกระยะเว้นห่างประมาณ50หลาด้วยอาการระวังตัวพร้อมแล้วหันมากระซิบเตือนในจ้างของเขาอย่าเผอตัวไอแหวงอาจซุ่มดักคอยได้งานเราตรงไหนก็ได้ทั้งสิน้นเรากำลังกระชั้นหลังมันเข้ามาเต็มทีแล้วชายยันกับดารินกระชับไรเฟิลอยู่ในท่าพร้อมที่จะใช้ได้ทุกขณะกวาดตาไปรอบด้านนักมนุษยวิทยาสาวมองไปยังแง่ทรายผู้เดินนาเทิงเทิงอยู่เบื้องหน้า อย่างไม่แสดงท่าว่าจะหวาดระแวงอะไรแล้วก็ซิปขึ้นอย่างเป็นห่วงคุณใช้ใหงาทรายเป็นคนนาทางถ้าทางเขาไม่ได้ระวังตัวอะไรเลยควรจะเตือนให้เขารู้ไว้ด้วยก็ได้รับคําตอบผู้ท้วนจากพรานใหญ่ว่าป่วยการจะไปสอนจระเข้ให้ว่ายน้ําไม่ต้องไปห่วงมันหลอกห่วงตัวคุณหญิงเองก็แล้วกันไทยแหวงพรวดออกมาเมื่อไหร่หาที่หลบไว้ก่อนอย่ายืนประจันหน้าอย่างที่แล้วมา ดาลินตะวัดหางตาผ่านไปหน้าของเขาอย่างไม่พอใจแต่พรานใหญ่ไม่สนใจไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงน้ําตกขนาดใหญ่แววกระหึ่มมาให้ได้ยินทิศทางไปของไอ้แหว่งใกล้กับเสียงน้ําตกนั้นเข้าไปทุกขณะและพินบอกในจ้างทั้งสองของเขาให้ทราบว่าที่ตีนเขามีน้ําตกใหญ่อยู่แรงหนึ่งต้นน้ํามาจากยอดเขาสูงลูกเดียวกับที่ผ่านมาแล้วไหลหลันลงมาเป็นชั้นๆจนกระทั่งลงสู่แอ่งกว้างตีนเนิน ซึ่งเป็นต้นสายของลำทานป่ารอบด้านที่ผ่านไปเริ่มเขียวเอุ่มขึ้นเป็นลำดับอุดมไปด้วยเฟิร์นและกล้วยไม้ผีเสื้อตัวใหญ่ๆหลากสีปรากฏให้เห็นทุกชุมขึ้นทุกขณะสลับไปกับดอกไม้ป่าอันตรการตาธรรมชาติขอ ง, งพงไพรในละแวกนี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาตื่นตาตื่นใจขึ้นอันเป็นธรรมชาติของป่าที่อยู่ใกล้เคียงกับแปล่งน้าทั้งหลาย แตกต่างไปกับดงกระดา น, นแห้งผากปานนรกที่ผ่านมาแล้วยิ่งใกล้เข้ามาเสียงน้ำกระแทกหินผาก็ยิ่งดังสนัน่นเราอ่องน้ำโปรยปิลมาเย็นฉ่ำปกคลุมป่ารอบด้านอยู่ทั่วไปเอื้องพึ่งกระเช้าสีดาและช้างนาวเกาะอยู่ตามคาคบของไม้ใหญ่แลเห็นพราวสะพ่างรานตาไปหมดพื้นดินอุดมไปด้วยพวกว่าสารพัดชนิดออกดอกปหนึ่งจะอวดแข่งสีสันกันอยู่สนอนครั้นแล้วไม่นานนัก ทุกคนก็พบตนเองอยู่ในระหว่างโตกลึกกว้างใหญ่เบื้องหน้ากระแสน้ําพุ่งเป็นลํากระโจงลงมาจะากแก่งที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆละอองขาวเป็นฟูฟ่องกระทบกับแสงแดดยามเย็นมาเกิดเป็นสีรุ้งงามตาชั้นสุดท้ายที่น้ําตกลงมาเป็นชะ ง, งอนกว้างใหญ่สูงประมาณสิห้าเมตรก่อนที่จะเทลงมาสู่แอง่งซึ่งมีระดับน้ําตื้นเพียงเอวแล้วไหลลงเบื้องต่ําต่อไปมันเป็นน้ําตกที่งามเยี่ยมแห่งหนึ่ง และปริมาณน้ำในยามนี้ก็มากสายน้ำไหลตกลงมาเป็นรูปโคง้งราวกับฉากทาราบทบางหน้าผาชง่งอนอันเป็นแนวตัดได้ระดับราวกับมือสวรรค์มาเนเรมิดไว้รอยของไอ้แหว่งและบริวานของมันทั้งสองเดินตามทางด่านลงมาอย่างแอ่งน้ำตกแห่งนี้แล้วก็อันตรธานหายไปอย่างไม่มีร่องรอยราวกับว่ามันจะละลายหายไปกับสายน้าหรือมิฉนั้นก็ดำดิ่งลงไปชำแรแลกตอนอยู่ใต้กระแสน้าเบื้องล่าง ทั้งๆ ท, ที่บริเวณแอ่งน้ํานั้นก็มีระดับลึกที่สุดเพียงแค่อกเท่านั้นทุกคนพบกับความอัศจรรย์ใจอีกครั้งและพินกับชายยันลุยข้ามแอ่งไปยังฝั่งตรงข้ามเพื่อตรวจหารอยส่วนพานพื้นเมืองของเขาทั้งสาแยกย้ายกันค้นหาตามชายฝั่งริมแอ่งรอบๆลงไปจนกระทั่งทางปลายน้ําที่ไหลสู่าําธารหากว่ามันจะยึดเป็นทางเดินไปตามราธารคงมีแต่งแง่ทรายคนเดียวเท่านั้นพอมาถึงแหล่งน้ําตก ก็ลงนั่งพักอย่างสบายใจบนโขดหินหน้าตัดราบเรียบตอนหนึ่งและดาดินก็พอหยุดพักวักน้ำขึ้นโรมหน้าอยู่ที่นั่นด้วยห้าหนาทีหลังจากนั้นพวกที่แยกกันออกไปตรวจรอยก็กลับเข้ามารวมกันที่โขดหินก้อนนั้นถ้าไม่หอะก็ดำดินแทรกปะทะพีไปเสียแล้วชายยันคลางออกมามันไม่ได้ข้ามไปฝั่งโน้นหรอกหรือหญิงสาวถามอย่างเต็มไปได้วยความโงงสนเท่ เพื่อนชายโครงศีษะซุดตัวลงนั่งพังภาพถอดหมวกออกวักน้ำโกรกศีษะส่วนรพินสอบซักพรานของเขาทั้งสามที่ทแยกย้ายกันไปตรวจดูดรอบๆทั้งเกิดเสยได้จันสันหน้าได้แต่เบิกตาดูกันอย่างงุนงงรพินกัดบิมฝีปากแน่นกวาดสายตาไปยังบริเวณรอบด้านอีกครั้งอย่างใครครวนขนาดหนักแล้วเบนมาจับจ้า อ, อยู่ที่แง่ายเขมง เงยสายผู้บาดนี้นั่งกอดข่าวมองดูสายน้ำตกที่ไหลหลั่นลงมาเป็นช่องชั้นจากเบื้องบนริบลิบขึ้นไปอย่างใจเย็นและดูจะไม่อารทสิ่งใดอันผิดไปกว่าอาการของทุกคนในขณะนี้ใบหน้าสีทองแดงราวกับภาพแกะสลักนั้นอยู่ในอาการเคลิ้มผวาลมเย็นจากผาน้ำตกพัดเส้นผมหยึกหยักโศกยาวปกไัย้ายุอยูรวลึวมเย็นจากผาน้ำตกพัดเส้นผมหยึกหยักโศกยาวปกไตถอยปลิวสวัยเขาก้าวช้าๆก็ไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้าชาวดงผู้ลึกลับตื่นจากผวัา และก็พอดีหันมาสบตาแงซายบอกฉันสิไอ้แหวงเหาะหรือว่าดำดินเขาถามเบาแต่เครียดช้างไม่ใช่นกและช้างก็ไม่ใช่ไสเดือนเสียงห้าวกังวานนั้นตอบเขามาราบเรียบแล้วโดยสีหน้าตายอันเป็นคุณลักษณะเดิมอดีตนายทหารกองโจรกระเรียงชี้มือไปอยังหน้าผาน้ำตกชั้นสุดท้ายก่อนที่กระแสน้าจะกระโจนลงมาสู่แอง่งที่นั่น ภายใต้สายน้ําที่กระโจนจากแก่งลงมาสู่แอง่งในชีวิตแห่งความเป็นเจ้าป่าของผู้กองได้ผ่านน้าตกเขานางนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วผู้กองเคยคิดเหมือนผมบ้างหรือไม่แล้วปินจ้องไปที่ผาน้ําตกแล้วหันขวับมาจ้องแง่ทายอีกครั้งอย่างรวดเร็วตาเป็นประกายรุกแววคิดว่ายังไงใต้สายน้าตกที่เป็นม่านบังไว้เป็นปากถ้าใหญ่ลึกและกว้าง เป็นช่องทางตัดเข้าไปใต้ภูเขารูกนี้พรานใหญ่กลั้นใจเอ่ยรอดลายฟันออกมาด้วยเสียงที่พยายามให้เป็นปกติที่สุดว่าและนั่นก็คือด่านลับเชื่อมติดต่อระหว่างป่า น, นอกกับผุกหมาหอนงั้นใช่ไหมครับไม่ทันจะขาดเสียงแงาสายและผินก็ขยุ่มไหลเจ้าคนดงกระชากยืนขึ้นง้างหมัดขึ้นเต็มละหมัดของเขาค้างชงักอยู่เพียงแค่นั้นเองเพราะมีใครคนหนึ่งแทรกกลางเข้ามาอย่างรวดเร็ว ง้างหมัดขึ้นเหมือนกันสีหน้าขึงขังเอาจริงเอาจังถ้าคุณต่อยน้องชายของฉันใครคนนั้นก็คือหม่อมราชวงหญิงดาดินวราลิศนั่นเองบัดนี้ชู ก, กับปั้นลอยวนอยู่ตรงหน้าของเขาแต่ในตามีแววยิ้มฉันก็จะต่อยคุณเหมือนกันเอาหรือแล้วพินภัยวันยืนตัวสั่นเทิมหน้าแดงก่ําอือใจใหญ่ก็ลดมือลองจากการที่ค้ําคอแง่ทายไว้สีหน้าและอาการของเขาส่อชัดว่า พยายามจะสะกดกั้นความรู้สึกไว้ยอย่างยากเย็นที่สุดไม่พูดอะไรอีกเลยจนคําเดียวแล้วพินหันหลังกลับคว้าไห่เฟิ่อกระโดดโคลงลงไปในแอ่งน้ําแล้วเดินลุยตรงเข้าไปยังตําแหน่งน้ําตกที่พุ่งเป็นลำลงมาสํารวจหารูทางอยู่อึดใจทุกคนก็เห็นร่างของเขาฝ่าสายน้ําตกหายรับเข้าไปทางมุมหนึ่งโดยไม่สนใจกับเสียงร้องตะโกนถามของชัยยันครูใหญ่ต่อมาก็โผล่ผ่านสายน้ําตกกับไม้เห็นอีกครั้งกายเปียกโชกไปหมด เดินลุยน้ํากลับมาที่เก่าพอถึงก็สะบัดน้ําออกมาจากตัวชำเลืองมองดูหน้าแงทรายนิดหนึ่งแล้วพูดกับนายจ้างต่ำๆว่ามีด่านลับซ่อนอยู่ใต้ชะงอนน้ําตกนั่นบอกเพียงแค่นี้เขาก็พยักหน้ากับเกิดให้ส่งย่มหลังประจําตัวมาให้เลือกได้เสื้อผ้าที่เตรียมมาอีกชุดหนึ่งเดินห่างออกไปกํบบาบังหินใหญ่ผัดชุดที่เปียกออกพอผัดเครื่องแต่งกายชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยนั่งลงสูบบุหรี่อัดควันหนักๆอยู่คนเดียว ชายยันกับดาวินก็เดินตรงเข้ามาหาชายยันเต็มไปด้วยอาการตื่นเต้นหมายความว่ายังไงกันนี่แต่ว่าเราค้นพบด่านลับอันเป็นทางติดต่อระหว่างป่า น, นอกระพบหมาหอนแล้วใช่ไหมไอแหว่งใช้ทางนี้หลบเราเข้าไปพรานใหญ่หูเราะหึ่หึคว่างบุรีที่เพิ่งจะจุดสูบได้สองสามอึกกระเด็นลงไปยังโขดหินเสียงของเขาสะเทือนไปด้วยความรู้สึกครับแต่เป็นการค้นพบที่เกิดจะสาย คนของเราหลายคนต้องล้มตายลงคุณชายขาเกือบขาดผมเองหรือคุณหญิงเมื่อใกล้เที่ยงที่แล้วมันนี่ก็เกือบตายผมไม่เข้าใจจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ว่าเจ้าแงซายตัวดีคนโปรดของคุณหญิงทำไมถึงอมพนําไว้จนกระทั่งบัดนี้มันรู้จักด่านลับใต้น้ำตกนี้ดีมาตั้งนานแล้วแล้วมันก็รู้อยู่ทุกขณะว่าพวกเราผจิกับปัญหาว่าด่านรับนั้นอยู่ที่ไหนทาไมมันถึงนิ่งอุบไว เพิ่มจะมาบอกเอาวินาทีสุดท้ายนี่เมื่อข่าวที่เราตามมันมาครั้งก่อนเราก็ไปหลงรอยเสียจนต้องเดินย้อนกลับไปที่แคมป์มันก็น่าจะบอกเล้ว่าด่านรับหรือทางฉุกเฉินของไอ้แหวงอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็หันไปจ้องหน้าหญิงสาวด้วย ด, ว, ยดวงตาลุกวาวถามเกือบเป็นตวาดว่าทําไมครับคุณหญิงทําไมถึงเป็นอย่างนี้คุณหญิงอธิบายผมฟังหน่อยได้ไหมในฐานะที่คุณหญิงก็บอกผมเองว่ารักมันรากับน้องชาย ต่อสู้ป้องกันและออกรับแทนมันมาตลอดเวลาหญิงสาวส่งยิ้มหวานและรื่นมายังความกาดเกลี้ยวกุืนมัวของเขาสายตามีกระแสวิงวอนและปลุกปลอบเอื้อมมือมาจับแขนเขาไว้พูดเสียงเบาอ่อนหวานอย่เปรี้ยวกาดนะสิค่ะดพินระงับอารมณ์ของคุณไว้บ้างอย่างน้อยก็นึกว่าเห็นแก่ฉันเถอะฉันเห็นใจเหมือนกันว่าคุณโมโหงะทรายมากฉันเองก็สอบถามเข้าในเรื่องนี้แล้วคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเถิดนะ แต่ฉันเชื่อแงซายและไม่คิดว่าเขาจะมีลูกไม้ซ่อนเงื่อนอะไรกับคุณเลยนอกจากความซื่อความซื่อผ่านใหญ่ร้องออกมาเกือบเป็นตะโกนแล้วเค้นหัวเราะหล่อนไม่เคยเห็นเขาหน้ากลัวเหมือนครั้งนี้มาก่อนเลยไหนมันบอกคุณหญิงว่ายังไงเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้มาก่อนเลยว่ามีด่านลับอยู่ใต้ผาน้ําตกนั่นหล่อนพูดอ่อนโยนเอาอกกันใจใบหน้ายัางคงลื่นอยู่ได้รอยยิ้มปอบโยน เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้เขาฝันไปฝันว่าตามไอ้แหวงมาถึงผาน้ําตกนี่และเห็นมันหลบเข้าไปในถ้าใต้สายน้ําตกนั่นซึ่งเขาก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นทางด่านซ่อนอยู่ใต้น้ําตกนั่นจริงหรือเปล่าเมื่อคุณลองบุกสายน้ําเข้าไปพบมันก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาเขาไม่ได้มีเจตนาจะปิดบังอำพรางแม้แต่ต้นเลยไงทร า, ายเป็นคนแปลกๆอย่างนี้เองแหละคุณก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้ว เขาเป็นคนผูกพันอยู่กับความฝันและมักจะฝันได้แม่นยำเสมอเชื่อมันสิไอคนคิดฝันคนนั้นรับพินตะข้ออย่างพุ่งพ่านควักบุหรี่ออกมาคาบใหม่มือสัน่นชายยานหัวเราะเบาๆรีบควักไรเตอร์ออกมาจุดให้อย่างเอาใจพรานใหญ่รู้สึกตัวในอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรงของตัวเองยกมือไหว้ชายยานนกฝืนหวเราะแค่นแกลกล่าวสิงอ่อนลงเอาแล้วครับผมพยายามจะเชื่อตามที่คุณหญิงบอกนี่ แต่ขอให้รู้ไว้ด้วยว่าทั้งแง่สายฝันดยงนี้เสียแต่เนื่นๆนื่พวกเราไม่ต้องเหนื่อยยากเบืองเวลาเบืองชีวิตและข้าวของไปมากมายถึงเพียงนี้ไอ้แหว่งเกมฑไปนานแล้วกรุณาไปเตือนหมอนั่นเสียด้วยว่าคราวหลังถ้าเกิดวิกฤตการอะไรขึ้นขอให้หมอฝันทันตเหตุการณ์หน่อยอย่าฝันเอาในเวลาเกือบสายอย่างนี้ผมน่าไม่อยากจะพูดอะไรกับพ่อน้องชายของคุณหญิงคนนี้อีกแล้วคอม็นเต็มเหนียวมาตั้งแต่ตอนที่หลอกให้เดินหลงตามรอยเมื่อบ่ายนี้แล้ว วิน่าล่ะพอมาถึงที่นี่ลงนั่งสบายใจเชิบต่อยให้พวกเรางมกันเสียอีกยังสงสัยอยู่นี่ว่าถ้าไม่เค้นออกมาหมอจะทำเป็นทองไม่รู้ร้อนอุบนิ่งไว้นานอีกสักเท่าไหร่แต่ถึงอย่างไรเขาก็บอกให้คุณรู้ไม่ใช่หรือแม้ว่าจะเป็นวินาทีสุดท้ายดารินแย้งเบาๆเอียงคอ ย, ยิ้มและพินอึ้งไปนานและถอนใจเฮือกครับมันบอกเพื่อแก้โ ง, ง่องของพรานใหญ่ภายหลังจะกรอดูเชิงจนแน่ใจแล้วว่า ถ้ามันไม่บอกก็โง่งมอยู่นี่เองเก่งมากตัวงแงสายคนนี้โทรนพินคุณก็คอยคิดเอาแงเอางอนถือเหลี่ยมถือเชิงอะไรกับแงสายอยู่อย่างนี้นี่นาะถึงได้มองเขาี่แง่ร้ายอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่มองเขาี่แง่ดีบ้างถ้าไม่มีแงสายป่านนี้คุณก็ยังงมอยู่นั่นเองว่าอ้แหวงเหาะหรือว่าดำดินไปทางไหนระพินคอแข็งพูดอะไรไม่ออกผมอยากจะขอร้องคุณเรื่องนี้เหมือนกัน ลืมจเจตเถิะพินมาว่าถึงแผนการของเราต่อไปดีกว่าเดี๋ยวนี้เรารู้ด่านลับนั้นแล้วและรู้แน่ว่ามันเพิ่งจะอาศัยทางนั้นหลบเราเข้าไปในหุบหมาหอนหยกหยกมา น, นี้เองประตูชายเห็นอยู่แค่นี้แล้วไม่ใช่หรือชายยันตบไหลเอ่ยเป็นงานเป็นการมาภายหลังตึกจองอยู่คู่ใหญ่เขาก็บอกว่าลงรู้ทางแบบนี้แล้วก็ง่ายที่สุดแล้วครับแต่จะอย่างไรเสียสําหรับวันนี้เราคงตามมันไม่ทันแล้วนี่ก็เย็นเต็มที ถ้าข้าในหุบหมาหอนจะไม่เหมาะคืนนี้พักที่นี่สักคืนผู้มีเช้าค่อยตามมันไปนายพันตีนอกราชการยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูขณะนั้นเป็นเวลาสิบห้านาตรงความมืดสลัวกําลังโรยตัวลงมาปกคลุมป่ารอบด้านเสียงนกยุงที่ไม่เคยได้ยินกันมาเป็นเวลานานร้องแว่วลงมาจากยอดไม้สูงสั่งสนธยารอบด้านแทรกระงมไปด้วยเสียงจ้กระจันร้องนายคราชนกวนไปกับเสียงน้ําตกกระทบแก่งหิน อีกไม่นานนักป่าทั้งป่าก็มืดสนิทลงแล้วั้างานรีบหาชัยภูมิที่จะพักกัาคืนนี้เถอะตรงนี้คงไม่เหมาะเพราะใกล้น้ำตกเกินไปนอกจากกลางคืนจะถูกละอองน้ำหนาวเสียงน้ำตกจะทำให้เราไม่ได้ยินเสียงอื่นๆระพินลุกขึ้นยืนตะโกนบอกกับคนของเขาต่อจากนั้นอีกเพียงครู่เดียวค่ายพักนอนชั่วข้าวก็ถูกเลื่อนขึ้นบนริมฝั่งท่าน้าด้านเหนือห่างจากแอ่งน้าตกประมาณ300ร้อยหลา ในระหว่างวงร้อมของกลุ่มโขทินก้อนใหญ่ๆผ้าพลาสติกผืนหนาปูรองพื้นสำหรับนอนอีกพื้นหนึ่งที่บางกว่าขึงสีม่มุมกันน้ำค้างถ้าฝนไม่เทลงมาในคืนนี้ที่แรมคืนแบบง่ายๆของคณะทั้งเจ็ดคนก็ไม่มีอะไรขุกขลักเดือดร้อนต่างช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างคล่องแคล่วเคยชินไม่กี่อึดใจบริเวณนั้นก็กลายสภาพเป็นที่พักสาหรับคืนนี้ได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขเท่าที่จะเป็นไปได้ ดารินคงไม่ทิ้งนิสยัยกล่าวอันแก้ไม่หายของร่อนนั่นก็คือขาดน้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นรอนปลอดโปร่งใจเป็นพิเศษเมื่อค่ายแดมคืนได้ถูกกำหนดขึ้นใกล้เคียงกับบริเวณแหล่งน้ำอันน่าอาบเหงื่อคลายอันบังเกิดจากความสมบุกสมบันมาตลอดทั้งวันนั้นยังพอทำเนาสำหรับรอนแต่ตอนที่คืบคานเข้าหาโขลงไอแหวงในดงผากเมื่อตอนบ่ายนี้ขุยผากและใบไม้บางชนิดทาให้รอนกระวนกวาย และคันเคยออยู่จนกระทั่งบัดนี้ตลอดทางที่เดินมาก่อนที่ถึงแหล่งน้ําตกหล่อนยังแอบเป็นทุกข์อยู่คนเดียวเงียบเงียบว่าหล่อนจะมีโอกาสอาบน้ําได้ที่ไหนซึ่งมันจะต้องเป็นสิ่งที่ทรมานอย่างที่สุดพอเห็นแหล่งน้ําตกอันใสสะอาดรื่นรมและรู้แน่ว่าจะต้องพักที่นี่หญิงสาวก็มีความรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอ ก, อกดังนั้นระหว่างที่คนอื่นๆสารวนอยู่กับการหุงหาและจัดที่พักหญิงสาวก็หยิบย่ามหลังขึ้นเวียงพาดบ่า บอกเปลย์เปลย์ไปทางชายยันกับพระพินผู้กําลังช่วยกันขึงผ้ากัน้นหลังคาอยู่ว่าอย่าว่าฉันนะขอร้างตัวสักเดี๋ยวเถอะทนไม่ไหวคันยิบไ ป, ปหมดทั้งตัวไม่งั้นคืนนี้นอนไม่ได้แน่ชายยันจุป๊ปปากโครงหัวอดที่จะบ่นออกมาไม่ได้คนอื่นๆก็ช่วยกันทํางานตัวเป็นเกลียวตัวเองไม่ช่วยอะไรสักอย่างมิหนำซ้ํายังจะมาเป็นภาระให้อีก นี่แปลว่าไม่ใครก็ใครักคนต้องเดือดร้อนไปคอยนั่งถือปืนเศ้าอีตอนเธอลงสะสนานอีกกระสีไม่ต้องหลอกนักมนุษยาสาบอกมาอ่อยๆอฝืนยิ้มฉันไม่ได้ไปอาบไกลที่ไหนแค่หลังก้อนหินใหญ่นี้เองห่างไม่ถึงยี่สิบเก้าบอกให้พวกเรารู้ไว้ทุกคนใครอย่าเพิ่งโผล่ออกไปทางด้านหลังก้อนหินลูกนี้ก็แล้วกันรับรองว่าไม่เกินสิบนาทีว่าแล้วหล่อนก็ผ่าเดินอ้อมหินใหญ่ทุกนั้นลับหายไป ชายันหุเราอหึหหันมาสายหน้ากับพรานใหญ่บนพรมแต่ละผินบอกมาเบาๆว่าน่าเห็นใจหรอกครับตอนคลานกับผมเข้าไปดงผากเธอโดนหุยผักทั้งตัวขนาดผมเอยยังทนแทบไม่ไหวเลยแต่ช่วยเตือนให้รีบอาบรีบขึ้นก็ดีน้ำในลำธารในป่าพอหมดแสงแดดลงแล้วตามปกติแล้วเขาไม่อาบกันมันเย็นมากมัจะเป็นไข้คุณหญิงชอบแช่น้นานานๆสย ด, ด้วย ชายยันตะโกนบอกเพื่อนสาวลงไปตามคำแนะนำของรพินเสียงหลอนรับคำมาครู่เดียวร่างของราชนิกูลสาวก็โผล่กลับเข้ามาร่วมกลุ่มตามเดิมเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เรียบร้อยสีหน้าสดชื่นผ่องใสขึ้นก่อนข้าวสุกรพินสั่งให้คนของเขานำกิ่งไม้แห้งมาสะเรียงรายไว้ร้อมทิศทางต่างๆที่จะนำเข้ามายังตำแหน่งพักนอนทุกด้านคืนนี้พวกเราจะนอนกันหมดทุกคนไม่ต้องมีใครอยู่ยามเตรียมกำลังไว้สำหรับพรุ่งนี้ให้เต็มที่ เขาบอกชายานกว่าสายตาสำรวจไปยังป่าทึบรอบด้านอย่างไม่ไว้ใจแล้วถามว่าวันนี้เราเพียรหนักกันหมดทุกคนอะไรมันย่องเข้ามาเราจะได้ยินกันหรือผ่านใหญ่บุ้ยป่ากไปยังรั้วกิ่งไม้แห้งเหล่านั้นนั่นคือยามหรือสัญญาณเตือนภัยให้เราได้ยินครับกิ่งไม้แห้งจะลั่นขึ้นถ้ามีอะไรย่องผ่านเข้ามามันดังพอที่จะปลุกเราได้แล้วก่อนนอนคืนนี้ผมจะเอายาฆ่ามแมลงหยดไวร้รอบๆบรบิเวณที่เรานอน กลิ่นของยาชนิดนี้แรงมากไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรได้กลิ่นข้าวก็จะเปิดหมดไม่กล้าเข้ามาใกล้ไม่ต้องห่วงหรอกครับเวลาผมนอนในป่าคนเดียวโดยไม่มียามผมก็ใช้แบบนี้มาตลอดไม่เคยปรากฏว่าจะมีอะไรแผ่วผ่านเข้ามาเลยหลับได้อย่างสบายข้าวสุกก็เป็นเวลามืดสนิทพอดีต่างล้อมวงกินกันรอบกองไฟใหญ่ที่ก่อไว้เพียงกองเดียวสาหรับให้ความอบอุ่นพอความมืดคืบคานเข้ามา ความวังเวงและหนาวสถานก็ครอบงำไปทั่วไม่ต้องสงสัยว่ามันจะต้องเป็นอีกคืนหนึ่งที่หนาวเย็นอย่างทารุณที่สุดโดยสิ่งแวดล้อมของภูมิประเทศเช่นนี้ต่างห่อตัวอยู่ในเสื้อกันหนาวล้อมวงผิงไฟชายยานงัดบรรดีออกมาบินแจกจ่ายให้ทุกคนแม้กระทั่งพลานพื้นเมืองของรพินและแงสายระหว่างดื่มกาแฟร่วมกลุ่มสนทนากันเบาๆก่อนเข้านอน เสียงเสือมาร้องคำรามอยู่ทางตอนใต้ของลำธารอยู่สองสามครั้งแล้วก็เงียบหายไปต่อมาก็มีเสียงเห่าหอนของหมาจิ้งจอกแวว ล, ลงมาจากยอดแก่งน้ำตกแยกห่างกันไปคนละทิศชีวิตของป่าใหญ่ไพรทึบ ก, กำลังเริ่มต้นไหวตัวตามปกติสภาพของมันยมราตีดารินไปิบัติหน้าที่ประจำของรอนโดยไม่หลงลืมแจกยาสกัดไขใ้ให้ทุกคนในคณะชั ย, ยานเปิดฟฉายส่องกลาวไปทางหน้าแก่งน้าตก และราวป่ากใกล้เคียงทั้งสองฝั่งสมมุติว่าคืนนี้ไอ้แหว่งย่องผ่านด่านลับย้อนกลับออกมาเราจะได้ยินกันหรือไม่นี่ผมคิดว่ามันไม่ย้อนกลับออกมาในคืนนี้แน่นอนมันเจ็บหนักไปกาลังหาที่ซ่อนหลบตัวเพื่อให้พ้นจา ก, กาตามของเราอีกอย่างหนึ่งมันก็คงไม่คิดด้วยว่าเราจะค้นพบด่านลับนี้เข้าจอมพรานตอบลีตามองตามแสงวิฉายที่กรดอยู่ไปมาของนายจ้างอย่างไรก็ตาม ชายญานย่อมจตนักได้ว่าพรานใหญ่เลือกที่นอนได้รัดกลุมเหมาะสมดีมากเพราะนอกจากจะเป็นแหล่งอับลมปอดจากการย่องเข้ามารบกวนของสัตว์ร้ายในเวลากลางคืนแล้วยังมีช่องทางพอที่มองสำรวจไปยังบริเวณด่านรับที่ซ่อนอยู่ใต้สายน้ำตกได้ทุกขณะไม่มีมุมไหนบงังนับว่าเป็นที่มั่นคุมเชิงสกัดปากทางนั้นไว้ในรัศมีที่จะควบคุมเหตุการณ์ได้โดยง่ายหากไอแวงจะใช้ทางรับนั้นเดินย้อนรอยออกมาอีก ในระหว่างแรมคืนกันอยู่ข้อพิจารณาหรือเหตุผลพื้นๆดูเหมือนจะนำมาใช้กับไอแหวงไม่ได้เลยอย่างน้อยที่สุดเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็น่าจะเตือนเราได้ดีสิ่งใดก็ตามที่เราไม่คิดหรือไม่เชื่อไอ้แหว่งมักจะฉวยโอกาสเสมอดาลินเปยขึ้นเบาๆเป็นการแสดงความเห็นมากกว่าเจตนาที่จะค้านเขาโดยตรงถ้ามันย้อนกลับ อ, อมาคืนนี้เราต้องได้ยินเสียงครับนายหญิงจันตอบหลอนมาแทน ด้านลับใต้ผาน้ําตกนั่นเป็นยังไงบ้างแล้วพินชา ย, ยันถามต่อมาเปล่าควันบุรีลงต่ํพาพรานใหญ่ชมเรืองหางตาไปทางแง่สายอีกแว บ, บหนึ่งกะเหลียงหนุ่มร่างยากบัดนี้นอนตะแงคงขดตัวหันหลังให้ห่างออกไปทางด้านซ้ายใกล้กับก้อนหินมีผ้าของมา้าเก่าๆพันอยู่รอบหน้าหลังจากกินข้าวเสร็จแง่สายไม่ได้เข้ามารวมกลุ่มอยู่ด้วยหาแต่ปลีกตัวแยกไปล้มตัวนอนทันทีเป็นปากท่ําลักษณะแปลกมากทีเดียวครับ ไม่กว้างใหญ่นักแต่ก็ขนาดที่ช้างสองตัวเดินคู่กันผ่านเข้าไปได้อย่างสบายผมยังไม่ได้สำรวจดูละเอียดนักตอนนั้นก็ไม่ได้เอาไฟฉายติดตัวเข้าไปด้วยมองเห็นอะไรได้เพียงตะคุ่มตะคุ่มเท่านั้นเพราะสายน้ำตกหนาทึบเป็นฉากบังแสงสว่างจากข้างนอกไว้ลักษณะข้างในมันจะเป็นยังไงหรือนําไปยังทางออกที่ไหนบ้างก็ยังเหลือที่จะเดาอาดีตนายทหารปืนใหญ่เม้มริมฝปาเอื้นไปคู่ดาดินก็เอ่ยขึ้นอย่างพร่านใจว่า น่าคิดมากนะถ้าลึกลับใต้ภูเขาใหญ่ทั้งลูกไม่หนําซ้ํายังมีสายน้ําตกเป็นฉากอําอพรางซ่อนปากถ้าไว้อย่างนั้นขณะที่คําทางกันเข้าไปใครจะบอกได้บ้างว่าเราจะเผชิญกับสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงอะไรบ้างข้อนี้ไม่มีอะไรจะต้องระแวงนักหรอกครับแล้วผินตอบต่ำๆเอื้อมือไปดินกาแฟจากหม้อลงเรารู้แน่ว่าไอ้แหว่งใช้เป็นเส้นทางเดินเข้าออกในระหว่างป่านอกกับผูกหมาหอนก็แปลว่ามันจะต้องเป็นทางเดินที่ปลอดภัยได้เพียงพอ ช้างผ่านไปได้เราก็ต้องผ่านไปได้อย่างสบายถ้าเป็นหนทางอันตรายสัตว์ใหญ่ขนาดช้างจะไม่ใช่เป็นเส้นทางเดินผ่านเข้าออกอย่างเด็ดขาดพรางเขาก็ยิ้มเกลื่อนเกลียมออกมานิดหนึ่งบุยปากไปทางแง่ทรายและที่สําคัญที่สุดก็คือเรามีมักคุฎเทศนําทางอย่างดีอยู่นั่นแล้วเจ้าแง่ทรายแต่เขาบอกกับฉันว่าเขาไม่เคยเดินในเส้นทางนี้มาก่อนดาลินแย้งเบาเบา่าพรางใหญ่หัเราหึ่หจิบกาแฟตาเป็นประกายวาว จับนิ่งอยู่ที่ร่างอนนอนขดของเจ้าชาวโดงผู้ลึกลับมันจะเคยเดินหรือไม่จะเคยรู้ทางหรือไม่รู้มันก็จะต้องเป็นคนนําทางเราพรุ่งนี้และจะนําหน้าทุกครั้งไปจนกว่าเราจะได้ตัวไอ้แหว่งคุณจะไม่บีบบังคับแง่ซายเกินไปหรือคุณหญิงจะเข้าใจอย่างนั้นก็ได้เป็นเสียงตอบก้าวๆเฉียบขาดดาลินนิ่งไม่ได้โต้แย้งอะไรอีกระดับน้ําลึกซึ้งเท่าไหร่หลังม่านน้าตกเข้าไปจนกระทั่งถึงปากถ้า ชา ย, ยันสอบถามต่อมาก็ประมาณแค่คอครับจากม่านน้ําตกเป็นบริเวณวังน้ําลึกเข้าไปอีกราวยี่สิบหลาก็จะถึงผนังผาปากถ้าอยู่ในตําแหน่งใจกลางของผนังผากลางระดับของม่านน้าตกมีก้อนหินสนลับเป็นชั้นเหมือนชั้นบันไดให้ไต่ขึ้นไปถึงปากถ้าได้อย่างสบายแต่ลื่นมากแปลว่าเราจะต้องฝ่าสายน้ําตกแล้วเดินลุยยอยคอเข้าไปจนถึงปากถ้านั่นเปียกโชกไปทั้งตัวสิก็ต้องโชคกันละครับ ก่อนจะไปถึงเวิ้งข้างในได้สัมภาระติดตัวของพวกเราชนิดไหนที่จะยอมให้เปียกน้ําไม่ได้ก็เห็นจะต้องคลุมผ้าพลาสติกไว้ลำเลียงกันเข้าไปแต่พรุ่งนี้ผมจะลองสำรวจดูดอีกครั้งเพื่อจะพบว่ามีทางไหนบ้างไหมที่เราจะลอดเข้าไปใต้มาสน้ําตกโดยให้เปียกน้ําน้อยที่สุดมันอาจมีทางบ้างก็ได้ตรงบริเวณชายน้ําตกริมใดริมหนึ่งกะคร่าวๆว่ากําแพงภูเขาที่กั้นระหว่างป่านอกกับผุบหมาหอน ขนาดแคบที่สุดโดยตัดดิ่งเป็นเส้นตรงก็ต้องเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่าห้าหกกิโลเมตรกว่าจะทะลุถึงกันไม่แปลว่าหนทางในถ้ำลับนี่เป็นระยะยาวตั้งห้าหกกิโลเมตรที่เราจะต้องมุง ง, มม า, งานหลาเรากับเดินไปใต้บาดาหลหรือข้อนี้ผมก็กําลังคิดอยู่เหมือนกันครับกองไฟก่อไว้ทางด้านเหนือศีรษะปลายเท้าหันด้านเดียวกันไปทางด้านผาน้ําตกอันเป็นทิศทางสกัดปากด่านลับ ไรเฟิลได้ไฟฉายไปจําตัวของแต่ละคนวางไว้ในตําแหน่งที่สามารถจะหยิบฉวยขึ้นมาใช้งานได้ทันทีโดยไม่สับสนคลุกคลักใช้ย่ามหลังเป็นที่หนุนศีรษะเสียงนกกลางคืนร้องปึกปึ๊กอยู่เป็นจังหวะนานๆเก้งจะร้องเป๊กแหวกความเงียบมาสักครั้งหนึ่งสลับไปกับเสียงจักระจันเรไราป่าและเสียงน้ําสาซ่าลงมาสู่วังบนทุกคนนอนฟังเสียงดนตรีภัยเหล่านั้นซึ่งสะกดอยู่เนื้อความอ่อนเปรีย้ยวเพียแรง ไม่ช้าต่างก็หลับไปท่ามกลางความหนาวหนิบไปทุกขุมขนเหตุการณ์ผ่านไปอย่างสงบราบคาบจนกระทั่งทุกคนตื่นขึ้นในเวลาเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นระหว่างที่หุงอาหารเช้าและจัดเตรียมตัวออกเดินทางแล้วพี่นคว้าปืนเดินไปสำรวจที่บริเวณแก่งน้ำตกอีกครั้งพักใหญ่ก็โผกลับเข้ามาร่างกายเปียกน้ำโชกไปครึ่งตัวขณะนั้นข้าวสุกพอดีไม่มีทางอื่นที่จะเข้าไปถึงปากถ้ำนั่นได้เลย นอกจากจะลุยน้ําฝ่าม่านน้าตกเข้าไปเขารายงานกับนายจ้างทั้งสองตรวจทั่วแล้วหรือช ย, ยันถามมาทั่วแล้วครับสายน้ําตกบังไว้หมดทุกส่วนตรงบริเวณขอบริมทั้งสองด้านก็เป็นหน้าผาทึบเวงปากถ้านั้นอยู่ใจกลางพอดีก็ไม่แปลกอะไรลุยฝ่าน้ําไปก็แล้วกันช ย, ยันว่าหลังอาหารทุกคนเตรียมตัวพร้อมสิ่งของที่จะถูกน้ําไม่ได้ซึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือข้าวสารน้ําตาลสายและผงกาแฟ ถูกนามาห่อมัดรวมกันอย่างหนานแน่นด้วยผ้าพลาสติกปืนทุกกระบอกเฉพาะที่ปลายดํากล้องถูกปิดตึงไว้ด้วยแปสเตอร์ปิดแผลเพื่อบรรเทาไม่ให้น้ําไหลเข้าไปทางํากล้องดาดินกับชายยานถอดเข็มขัดปืนสั้นพร้อมสายกระสุนห่อรวมไปในสิ่งที่ป้องกันไม่ให้ถูกน้ําด้วยเพียงไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นทุกอย่างก็เสร็จสรรเรียบร้อยพร้อมที่ออกเดินทางได้เสยกับจานโกยดินกบกองไฟที่หุ่หา แย่สายไปตัดไม้มาทำคารหาพวกสัมภาระที่ห่อผ้าพลา ส, สติกกันน้ำแล้วยกขึ้นแบกคนละข้างกับเกิดดาดินกับชายยันรูดซิปเสื้อแจ็คเก็ตซึ่งมีผิวนอกลักษณะเป็นเสื้อกันฝนในตัวขึ้นมาจรดคอเพื่อป้องกันเสื้อราสัตว์ข้างในไว้ไม่ให้เปียกจากนั้นทั้งหมดภายใต้การนำของพรานใหญ่ก็ผลกออกจากที่พักแรเ ม, มื่อคืนเดินเลียบชายฝั่งทานขึ้นไปยังน้าตกพอใกล้เข้ามาก็ลงจากฝั่งลุยลงไปในแอ่งน้า ตัดทางตรงดิง่งมุ่งเข้าไปยังบริเวณสายน้ําตกที่ส่งเสียงดังสนัน่นแตกเป็นฟองขาวอยู่นั้นระผินก้าวนําไปอย่างระมัดระวังไปเบื้องหน้าและคอยโบกมือเป็นสัญญาณให้เดินตามรอยเขาไปทุกระยะอาศัยจากร่องน้ําที่สํารวจไว้ก่อนแล้วพื้นเบื้องร่างเป็นก้อนหินขรุขระตะปุ่มตะปามและลื่นมากล่อแหลมต่อการเสียหลักหกล้มโดยง่ายหากเดินไม่ระวังพอชายยันและดารินเดินเคียงคู่กัน ตามหลังเขาวเว้นระยะห่างประมาณสองช่วงแขนถัดมาก็เป็นแงซายกับเกิดซึ่งหามสัมภา ร, ระที่ห่อผ้าพาสติกตามท้ายขบวนด้วยจันและเสยทั้งหมดเดินในลักษณะแถวเรียงเดี่ยวตามกันไปปืนถือในลักษณะชูวไว้เหนือศีรษะนอนขนานกับพื้นน้ำเพื่อให้น้ำเปียกน้อยที่สุดยิ่งใกล้ตำแหน่งน้าตกลงกระทบผิวแองเท่าไรระดับน้าก็เริ่มจะลึกขึ้นเท่านั้นครั้งแรกมันเพียงข่าว และบัด น, นี้มันสูงท่วม อ, อกสายน้ำเย็นเฉียบก็ไปถึงคู่หัวใจท่ามกลางละอองหมอกยามเช้าตู่ที่ปกคลุมอยู่ทั่วไปก่อนที่จะผูกหายนำเข้าไปใต้กระแสน้ำตกแล้วผิหันมาโบกมือเป็นสัญญาณอีกครั้งแล้วก็แวบฝ่าสายน้ำอันแรงนั้นเข้าไปชายยันประคองดาลินไว้ลุยตามเข้าไปติดติดหูแทบจะดับด้วยสายน้าที่ซัดกระหน่ำกระทะลงมาจากเบื้องบน มันดังอืออึงสนันวันไหวกระทบร่างกายจะรู้สึกเจ็บและแทบจะทําให้ต้องเสียหลักล้มลงเสียงดาดินร้องอุทานออกมาเมื่อเหยียบหินพลาดเพราะแรงประทะของน้ำเสียหลักล้มจมลงไปแต่ชายยันกระช่าขอด้เสื้อหิ้วขึ้นมาได้กว่าจะพ้นม่านน้าตกเข้าไปสู่ความมืดสลัวภายในเชเวกผาได้ก็เต็มไปด้วยความทุรกทุเลเปียกโชกไปหมดทั้งกายรถพินยืนรอคอยอยู่ก่อนแล้วปาดเข้นมาช่วยหิ้วปีกหญิงสาวอีกข้างหนึ่ง ขณะนี้สองชายยืนแช่น้ำอยู่ในระดับซวงอกแต่มันท่วมขึ้นมาถึงคอของหญิงสาวผู้กำลังยืนสำรักน้ำหน้าแดงอยู่อีกสี่คนในคณะก็ดูย่าน้ำตกตามเข้ามาครบคนในเวลาได้ๆกันพอสายตาจะเริ่มจะชินกับความมืดสลัวภายในทั้งหมดก็สังเกตเห็นอะไรได้รางๆความจริงบริเวณเวิ้งแองใต้ม่น้ตกนี้ไม่ถึงกับมืดนักเพราะแสงสว่างของยามเช้าพอจะสาดผ่านสายน้าเข้ามาได้ ลักษณะของมันเหมือนฝาหอยเพดานด้านบนสูงขึ้นประมาณสิบเมตรชะโงกเนื้อมออกไปเป็นหลังคาและนั่นคือตำแหน่งที่สายน้ำตกกระโจนผ่านลงไปสู่วังน้ำเบื้องล่างแสงไฟฉายจากมือพรานใหญ่ที่สองกลาดขึ้นไปกระทบแง่หินบางตอนสะท้อนแสงเป็นประกายวาวูบราวกับน้ำเพชสรสลับไปกับตะไคร่เขียวและผ่านไม้ประเภทเฟืรเล็กๆปกคลุมอยู่เต็มบางแห่งก็มีรากไม้แทงทะลุโพลออกมา และมีตาน้ำไหลยอยู่ทั่วไปตามรอยของเพดานผาเหล่านั้นราวกับสายน้ำตกจำลองเล็กๆบริเวณวางน้ำใต้น้ำตกก่อนจะไปถึงปากถา้ำซึ่งอยู่ในระดับสูงขึ้นไปประมาณ3เมตรจากระดับที่ยืนรอยคอกันอยู่เป็นลักษณะเวิงวางน้ำครึ่งวงกลมภายในเนื้อที่ไม่เกิน150ตารางวาจากความมืดสลัวคลุมเครือและน้าอันยินเยียบเช่นนี้ทาให้แลดูน่าหวาดระแวงสะพึงกลัวอย่างยิ่ง การพูจาส่งภาษากันในขณะ น, นี้แม้จะใช้ตะโกนก็แทบจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะเสียงอื้ออืงของน้ำตกพรานใหญ่โบกมือเป็นสัญญาณอีกครั้งค่อยๆเดินรุยตรงเข้าไปหาผนังหินปากถา้ำทุกคนเห็นเขาค่อยๆก้าวพ้นระดับน้ำสูงขึ้นไปเป็นําดับเหมือนจะเดินขึ้นไปตามขั้นบนันไดและ ว, วางไรเฟื้ของตนเองลงบนแง่หินตอนหนึ่งยื่นส่งมือมาให้ใชยันจับอดีตนายทหารปืนใหญ่คว้ามือนั้นไว้อย่างเหนียวแน่นในแบบบล็อก โดยมีฝ่ามือของแต่และฝ่ายจับข้อมือของกันและการไว้อีกข้างหนึ่งส่งต่อไปให้ดารินอีกค่อยๆเหนียวพยุงตัวไต่ตามแง่หินอันจับเริ่มไปด้วยตะไคร่น้ําขึ้นไปอย่างแช่มช้าระมัดระวังครู่ใหญ่ต่อมาทั้งชา ย, ยานและดารินก็ขึ้นไปพักตัวอยู่บนก้อนหินเหนือระดับน้ําได้ชนิดที่บุตรวิญ จ, จะเสียหลักดึงกันตกลงไปหมดทั้งสาคนอยู่หลายครั้งอันเนื่องมาจากความลื่น แยซายกับเกิดช่วยกันโยนห่อสัมภาระขึ้นไปให้ทั้งสารับก่อนแล้วตายตามขึ้นมาแย่ทรายผ่านขึ้นไปได้แต่เกิดถไลเลื่อนพัดร่วงหล่นตูมไปในน้ําถึงสองครั้งก่อนจะตายขึ้นไปถึงจากนั้นทั้งคู่ก็รับปืนจากจันและเซยใช้ไม้หาของเป็นหลักยึดยื่นส่งไปให้จันกว่าทุกคนจะพ้นหวังน้ําขึ้นมายัางบริเวณแก่งหินอันเป็นปากถ้ำได้ก็ใช้เวลาถึงห้าหนาทีท่ามกลางความขลุกคลักทุรักทุเล ชายยันถูกแง่หินบาด ท, ที่ข้อศอกเลือดออกซิดส่วนดาเรียนกังเกงราาสัตว์ของหล่อนตะเข็บขาดตั้งแต่ปรีสะโพกลงไปจนเกือบถึงหัวเขา่าเห็นเนื้อขาวพองแต่หล่อนไม่เอาใจใส่แม้ว่ารัฐินจะส่งเข็มซ่อนปลายมาให้ช่างเถอะหล่อนบอกขวัญวนปัดมือเข้าไปขณะที่ถอดหมวกออกสนัดน้ําจะเกลือนผมฉันไม่เอานิยมนิยายกับมันแล้วไม่ว่ามันจะขาดตรงไหนนี่มันทางไปบาดาลหรือไม่ก็นรกชัดๆประเดี๋ยวเถอะ คงได้เจอมังกรตาไฟหรือไม่ก็สัตว์ประหลาดประาดกันบ้างหรอบ้าจังก็หกได้ว่าน้ำแค่ อ, อกฉันเดินถลมลงไปในน้ำลึกตั้งสองสามครั้งมิดหั่วเลยเท้าไม่ถึงพื้นด้วยยังมีเหวอยู่ข้างล่างเกือบไม่ได้โผล่ขึ้นมาแล้วดีแต่คว้าแขนช ย, ยันไว้ได้รู้สึกเหมือนจะมีอะไรมากระชากขาด้วยพร้อมกันหลอนก็ทาตัวสั่นสัวหันลงไปมองดูวังน้าอันมืดมิดข้างล่างอย่างพ่านใจ อุปทานแล้วน้อยจะมีอะไรมากระชาขาเธอกันนอกจากเธอจะเดินเหยียบหินใต้น้ำพาดแล้วล้มลงออไปเองน้ำก็ไม่ลึกอะไรนักชายันบอกมาปนหัวเราะมองดูรอดอย่างขันขนคุณหญิงไม่เดินตามร่องที่ผมเดินนำนี่ครับไปเจอเอาร่องน้ำลึกเข้ามันก็ท่วมหัวเหมือนกันแล้วผินบอกมาเรียบเรียบขณะนี้สายตาของทุกคนคุ้นกับบรรยากาศภายในแล้วพอจะมองเห็นบนริเวปากท่านที่นั่งพักอยู่ได้แจ่มชัดขึ้น แสงสว่างจากเบื้องนอกสะท้อนส่องเข้ามาพอสมควรแต่ข้างในมืดมิดราวกับอุโมงค์ที่มองไม่เห็นกันเพราะความสว่างสาดเข้าไปไม่ถึงต่างสะบัดน้ำออกจากตัวและจัดการกับสิ่งของแก่ห่อพลาสติกออกบรรจุแจกจ่ า, ายลงย่ามหลังของแต่ละคนตามเดิมแก่พลาสเตอร์ที่ปิดปากกระ บ, บอกปืนออกและเช็ดจนแห้งสนิทเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะใช้งานได้ตามสภาพเดิมดารินบ่นพาร่อนหนักใจกว่าทุกคน เพราะไหเฟื่อประจํามือของหล่อนติดศูนย์กล้องแม้จะใช้ฝาครอบปิดศูนย์กล้องไว้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าระอองไอน้ําจะเข้าไปจับเลนในศูนย์ทําให้ฝ้าฟางไปหรือเปล่าหญิงสาวแก่ฝาครอบศูนย์กล้องออกบรรจงเช็ดเลนอย่างระมัดระวังทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วยกขึ้นประทับรอกลองส่องออกไปยังแม่น้ําตกซึ่งมีแสงสว่างสาดเข้ามาแล้วร้องออกมาว่าแล้วมิล่ะไอ้น้ำเข้าไปจับในเลนจริงๆนั่นแหละ มีหวังศูนย์พังแน่ปืนเธอกระบอกนี้ชัยยันเจ้าของปืนผู้กำลังรีดน้ำออกจากคางเกงและท็อปคอมแบตหันขับมาอะไรก็ช่างเถอะว่าแต่พอจะมองเห็นเส้นเลงหรือเปล่าตัวศูนยะ์น่ายังพอเห็นหรอกแต่ลงไอ้น้ำเข้าไปจับเป็นออมแบบนี้มันก็มีหวังลาขึ้นกล้องเต่เป็นหมดไม่สำคัญเอาว่าในระยะ น, นี้ขอให้พอใช้ได้ก่อนก็แล้วกันถ้ากล้องใช้ไม่ได้จริงๆก็ถอดโยนทิ้ง อาศัยศูนย์เปิดที่ติดมาให้จากโรงงานก็แล้วกันดารินส่งปืนไปให้ชายยันเพื่อนชายรับไปยกขึ้นสองแล้วส่งให้คานใหญ่อีกต่อหนึ่งภายหลังจะเกรงดูในกล้องอยู่กู้แล้วพินบอกว่าเลนยังแจ่มายพอสมควรนี่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นกากระ บ, บาทที่ชัดเจนดีผมว่าถูกแดดหรือไอร้อนตอนใสสายเขาน่อยไอ้น้าที่จับอยู่ก็คงระเหยจะหายไปเองศูนย์กล้องมันม่สะดโดอย่างนี้หละครับ สมบุกสมบันไม่ค่อยได้ต้องประคับประคองกันมากเจอฝนเจอน้ําเข้าบ่อยๆไม่เหมาะนักอีตอนที่ตะลุมบอลกับไอแหวงเมื่อวานผมเห็นมันหลุดกระเด็นจากมือคุณหญิงตกลงกับพื้นแรงสะเทือนไม่ทราบว่าฐานกล้องจะเคลื่อนหรือเปล่าหญิงสาวเจ้าหน้าเขาวทำตาโตนี่อย่ามาพูดที่ใจไม่ดีนะคนยิ่งกลัวอยู่ด้วยประเดี๋ยวฉันก็บังคับเปลี่ยนเปืนกับคุนเสียเท่านั้นพรานใหญ่หัวเราะเ บ, า, บาๆส่งลาเฟินไปจํามือของเขาไปให้ตกลงครับ ถ้าคุณหญิงคิดว่าพอจะยิงจุด 4-5-8 ห้าปไว้แต่ว่าอันที่จริงมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากไปกว่าริกบี้ที่คุณหญิงเคยยิงมาแล้วเลยคือคือกันนั่นแหละชายันสกิดแขนเพื่อนสาวเมื่อเห็นด่อนทำท่าลังเลอยากจะเปลี่ยนปืนบอกมาต่ำาๆว่าอย่าบ้าเลือดน้อยน้ำหนักตัวเธอยังไม่ถึง60สิกิโลก ร, รมก็อย่าไปยุ่งกับมันเข้าขนาดฉันหรือวพินยังเซเป็นเธอก็หกเขมเจดทอดเลยถ้าเหนียวไกลตูออกไป 30ูมแม็กนั่มกระบอกนั้นน่ะดีแล้วรับรองว่าแค่กระแทกโครมสองโครมฐานกล้องไม่เคลื่อนหรอกมันติดแน่นมาจากโรงงานเป็นส่วนหนึ่งของตัวปืนเลยถ้าไม่กระเทือนแรงจนถึงกับเบี้ยวหรือคดไปแล้วก็เชื่อได้เลยว่าเที่ยงเหมือนเดิมแล้วเพลินล้อเธอเล่นนะฉันเป็นเจ้าของปืนกระ บ, บอกนี้ทําไมฉันจะไม่รู้ดาลินฝืนหัวรอแค่นแค้นเอาละฉันจะเชื่อสรรพคุณปืนอันเดรเรดของเธอสักครั้งแต่บอกกล่าวก่อนนะ ถ้าเลงไอ้แหว่งแล้วผ่านไปถูกหางแล้วก็ฉันไม่เอาปืนกระบอกนี้ของเธอไว้อีกแล้วฟาดกับต้นไม้หักสองท่อนเลยชายาญยิ้มแห้งๆอยากให้ถึงงั้นดีกว่าเอเธอบีกระบอกนี้ราคาเกือบสองหมืนเอาว่าถ้าผิดก็อย่าไปยิงมันเสียอีกก็แล้วกันไม่บอกแล้วยังไงหักทิ้งเลยหล่อนบอ่เฉียบขาดทําเอาเจ้าของปืนต้องกระเดือกน้ํำลายฝืดๆบนอะไรพึมพำอยู่ในลาคอ พักกันพอตัวมาจากน้ําและจัดเตรียมตัวเสร็จรพินก็พยักหน้าเรียกแหน่าสายเข้ามาออกคําสั่งกล้าวๆเอาละต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของแกนําไปนักพนีจรชาวดงยิ้มฟันขาวในเงาสรัวไม่เอ่ยคําใดทั้งสิ้นงัดเชือกในร่อนเส้น ย, ยาวออกมาจากย่ามหลังจัดการมัดอย่างแน่นหนาติดกับเอวของตนเองช้าๆแล้วโยนปลายที่เหลือมาทางพรานใหญ่ด้วยอาการเงียบๆ เ, เพียงแค่นั้นรพินก็อ่านความหมายได้ในทันทีว่า หนทางเดินภายในถ้ำมีสภาพเช่นไรบ้างมันจะต้องเต็มไปด้วยหูเหวเสี่ยงอันตารายไม่ใช่น้อยทีเดียวสําหรับการคําทางเข้าไปเขาจ้องหน้าแงซ า, า, ายและหัวเราะหึห่ยยืนในลาคอไม่เอ่ยเช่ น, นไรเหมือนกันคว้าเชือกขึ้นมาผูกเอวตนเองบ้างเว้นระยะห่างจากแงซ า, ายประมาณสาหลาแล้วหันไปทางชายยันกับดาลินนายจ้างทั้งสองก็สา ม, มารถจะเข้าใจช น, นิดที่ไม่จําเป็นต้องซักถามไม่เสียเวลา